จเจริญพรญาติโยมทุกๆท่านการฟังในคืนนี้ก็จะกล่าวในเรื่องของอริยสัจสี่พร้อมกับปฏิจจสมุปบาทที่เราสวดกันเมื่อกี้นี้ปฏิจจสมุปบาทที่ท่านสวด เมื่อก่อนตอนที่หลวงพ่ออยู่เทียดสวนโมกประเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านจะบรรยายในวันเสาร์เรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนั่นแหละแล้วก็มีพระห้ารูปพร้อมด้วยอัตมารูปหนึ่งด้วยก็ต้องมานั่งที่หน้าธรรมมาต แล้วก็สวดปฏิจจสมุปบาทก่อนก่อนที่ท่านจะบรรยายธรรม ท, ทีนี้ถึงสวดถ้าเราไม่จำหรือเราไม่เข้าใจหรือถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องปฏิจจสมุปบาท เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอาตมาพูดมารู้สึ ก, กว่าใช้เวลาไปสามปีแล้วในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วฝักไฝ่สนใจทบทวนวิจัยจนทำให้เกิดนิมิตขึ้นมา นิมิตนั้นก็เคยพูดตอนที่ไปบรรยายที่จังหวัดกาญจนบุรีทีนี้บางคนก็อาจยังไม่ได้ฟังนิมิตนั้นก็คือว่าอาตมาเนี่ยขึ้นไปบนเตียงเหมือนที่นั่งอย่างนี้แหละแต่ว่ายาวกว่านี้หน่อยหนึ่งยาวกว่านี้ ประมาณทักสองเท้าแล้วไอ้ที่หลังเตียงที่ที่ข้างหลังที่เสานี่แหละเขาจะมีไม้ขึ้นเป็นเสาสองเสามีไม้ผ้าตรงกลางเหมือนกนระาวตากผ้าแต่ว่าไม่ได้มีการตากผ้ามีเนื้อช้าง เนื้อช้างสิบสองสิบสองลิ้วเป็นลิ้วยาวประมาณสักวานงึงแล้วก็กเอามาพาดบนบนไม้นั่นแหละสิบสองชิน้นราวไอ้บนราวตากผ้าเนะี่ยก็คงจะทำสุกแล้วทีนี้อัตมากกเดินขึ้นมา มาคุกเข่าที่เตียงเตียงนี่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่ว่าเสา อ, อยู่ทางทิศตะวันตกแล้วก็มีเนื้อช้างที่เป็นริวร้วๆนั่นแหละพาดอยู่สิบสองริว้วสิบสองริ้วอาตมาก็ขึ้นมาที่เตียกง ก, ยกว้างกว่านี้เตียงน่ะกว้างกว่านี้ขึ้นมาถึงก็คราน คิดว่าในใจนะคิดว่าเรากําลังข้าวหาพระพุทธเจ้าแล้วก็เนื้อช้างนี่ไม่ใช่เนื้อช้างในป่าเป็นเนื้อของพระพุทธเจ้าเพราะมีในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระยาช้างตัวประเสริฐไอ้นี้เมื่ออาตมาขึ้นแล้วก็ครานมา ขึ้นด้วยเขา่าครานมาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทางซ้ายมือก็มีเด็กคนหนึ่งประมาณชักห้าหกขวบเขาก็เลยจับเนื้อช้างเนื้อช้างก็ยังแขวนอยู่นั่นแหละจับแล้วก็ประเคนอัตมาไม่ได้ดึงออกเพรอัตมาก็ หลวงพ่อก็ข้าวมาข้าวมาจนเกือบเกือบชิดเธอตทีนี้ก็ฉันฉันเนื้อช้างนั้นฉันไม่หมดหรอกฉันไม่กี่คําก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่มีความรู้สึกว่าเนื้อช้างนี่คือเนื้อของพระพุทธเจ้าคิดอยู่อย่างนั้นพอเสร็จแล้ว ถอยออกไปข้างนอกถอยหลังออกไปพอถอยหลังออกไปก็ลงจากเตียงตอนนั้นก็คือยังหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทีนี้ไอ้ทางซ้ายมือเนอ่ยเป็นมหาสมุทตก็คือมหาสมุตอินเดียน้ําสีครามอาตมาก็ลงไป ลงไปในมาหาสมุทรลงไปในมาหาสมุทรน้ำก็แค่ครึ่งแคลงลงไปลงไปลงไปลงไปน้ำครึ่งแคลงเองแล้วไอ้ที่พื้นมั่นก็เป็นทรายเป็นทรายนิ่มๆทีนี้ก็ก็ลงเดินไปมันจะมีแหลม แหลมยื่นออกไปเป็นทายก็ไปเดินไปเดินลงไปลงไปลงไปมันก็ลึกเท่ากันถ้าเดินอ้อมไปแล้วไปขึ้นที่แหลมพอไปขึ้นที่แหลมนั้นก็เดินทีนี้เดินข้ามาหาฝั่งที่อีกฝั่งนั้นก็จะมีบ้านมีบ้านเป็นหมู่บ้าน แต่บ้านนั้นว่างหมดไม่เห็นมีคนเลยได้ชอบกลนบ้านทุกหลังไม่ว่าประตูหน้าต่างวาผนังตาสีขาวหมดเป็นสีขาวหมดทีนี้ก็เลยขวัญเองก็ต้องแก้เองนิมิตเองก็ต้องแก้เองการที่ไปฉันเนื้อช้าง ก็คือเรื่องของปฏิจจนุสมุปปาบาททีนี้ปฏิจจสมุปปาบาทมันลึกซึ้งลึกซึ้งเหมือนที่พระพุทธโคสาจารในประเทศศรีลังกาท่านกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อท่านจะพูดเรื่องปฏิจจสมุปปะบาทถ้าใครอ่านปฏิจจสมุปปาบาทก็จะรู้ ท่านบอกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเหมือนกับมหาสมุทรไม่สามารถที่จะหยั่งลงไปได้แต่ถึงยังไงท่านก็จะหย่อนเท้าลงไปแล้วก็แกว่งแกว่งจะถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นเือท่านจะเราหย่อนเท้าลงไปในน้ําแล้วก็แจกแกว่งดู ท่านพูดอย่างนั้นอาตมาคิดอยู่อย่างนั้นคิดอยู่อย่างนั้นตอนที่ลงในมหาสมุทรทีนี้พอลงลงไปในมหาสมุทรอ้าวนี่หรือที่พระพุทธโคสอาจารย์บอกว่าลึกนักทำไมพอเราลงไปนี่มันแก้ครึ่งแงเองแก่นั่นเองแค่ก็เป็นทรายนิ่มๆเป็นทรายนิ่มๆ นี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้การทํานายนั่นคือบ้านสีขาวอะไรสีขาวนั่นก็คือมันบ้านไม่มีคนไม่มีคนเป็นบ้านที่ว่างว่างจากคนก็คือว่างจากตัวจากต้นจากเราจากเขานั่นแหละทีนี้เรามาดูในเรื่องของปฏิจจสมุ ป, ปบาท เรื่องปฏิจจตสมุปปาฏบัตที่เราจะรู้ได้ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคเมยองแปดก่อนต้องศึกษาอริยมรรคเมยองแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิ มีคำแปลอยู่ด้วยฉะนั้นท่านคงจะหรือว่าควรที่จะสวดบ่อยๆเรื่องอริยมรรคมีมองค์แปดพอสวดไปก็ปฏิบัติไปทุกวันแหละ ป, ปฏิบัติไปทุกวันสวดไปปฏิบัติไปสวดไปปฏิบัติไปแล้วก็ค่อยๆเข้าใจอนี้เมื่อคืนก็พูดพูดแล้ว ในเรื่องอริยมรรคเม็องแปดให้ในเรื่องของอริยมรรคมีองแปดในข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องความเห็นอันถูกต้องก็คือเห็นอริยสัจสเห็นขันห้าเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทการเห็นนี้ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่เห็น มันก็คือเห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยวิชามันจะเกิดความเห็นขึ้นมาคือเห็นอริยสัจสี่เห็นขันห้าเห็นปฏิจจ a t มุขบาท์ดนี่การที่จะเห็นไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อต้องเห็นด้วยตาปัญญาเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็จะเกิดตาปัญญาขึ้นมา เกิดดวงตาเกิดปัญญาเกิดญาณเกิดวิชาเกิดแสงสว่างมันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นมาทีนี้เมื่อใครปฏิบัติก็จะเห็นข้อแรกนั่นแหละคืออริยสัจสี่ก็แรกอริยสัจ4ี่ก่อนจะไปเห็นปฏิจจสมุปบาททีเดียวน่ะเห็นไม่ได้ เพราะปฏิจจสมุปบาททั้งหมดก็คืออริยสัจสี่เรนี้เราจะต้องเห็นอริยสัจสีก่อนอริยสัจสีก็พูดไปแล้วเมื่อคืนตอนภาคค่าหรือภาคตอนเช้าก็ไม่ทราบลืมไปแล้วมันก็มีอยู่สองตอนตอนหนึ่งก็คือฝ่ายเกิดตอนหนึ่งก็คือฝ่ายดับ ก็คือเรื่องของเหตุผลเรื่องของเหตุผลทั้งหมดนั่นแหละฝ่ายเกิดก็คือเกิดทุกฝ่ายดับก็คือดับทุกทีนี้ไอาการที่มีปฏิสุปปาบาทก็คือการขยายการขยายอริยสัจสีนั่นแหละให้มันกว้างออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปอริยสัจสี ก็มีผลแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วก็มีเหตุทุกสมุทัยนิโรธมรรทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลอริยมรรคมีองค์แปดเป็นเหตุดันั้นคือผลเหตุผลเหตุผลเหตุผลเหตุอีนี้ มันก็ยังย่อย่อมันย่อเกินไปนี่เรียกว่าย่อเกินไปนี่เราปฏิบัติตามเรเยมักมีองแปดที่หลวงพ่อบอกว่าข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองสัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องสัมมาสังกัปโปความดําริก็คือความคิดอันถูกต้อง นี่คือเป็นตัวปัญญาสองข้อนี้เป็นตัวปัญญาีนี้เมื่อเป็นตัวปัญญาการที่จะเห็นก็บอกแล้วว่าไม่จะเห็นด้วยตาเนื้อต้องเห็นด้วยตาปัญญานี้เมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรรคเมอค 8, ีองแปดก็จะทำให้เกิดจักผงอุตปาธิพระพุทธเจ้าท่านตรัส จากขงอุตาปาทิจักสู่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี่คือในธรรมจักะในธรรมจักกปะปวัตนสูตรม้ท่านไปสวดธรรมจั ก, กรกะปวัตนสูตรแล้วท่านก็จะรู้จะเห็นนี่ข้อแรกเมื่อพระองค์ปฏิบัติตามอริยมรรคในองค์แปดแล้วก็เกิดจากขงอุตาปาทิก็คือ เกิดดวงตาขึ้นมาดวงตาภายในจากกุฏุตาปาทิก็คือดวงตาภายในดวงตาปัญญานี้คนเราไม่ใช่มีสองตามันมีตาภายในด้วยมีตาภายนอกคือตาสําหรับที่จะใช้ในชีวิตประจําวันด้วยตาภายในนี่หมายถึงปัญญาเพราะฉะนั้นคําว่าเห็นไงอริยมรรคไม่มงแปด ก็คือต้องปฏิบัติให้เกิดตาปัญญาขึ้นมาก่อนจากขงอุตปาธิดวงตาเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณังอุตปาธิญาณังก็คือตัวรู้ตัวรู้ญาณังอุตปาธิญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาอุตปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรา วิชาตปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาวิชาก็คือตัวปรับปรับตัวอวิชานั่นให้มันสิ้นไปวิชาตปาธิวิช า, า, าเกิดขึ้นแล้วแก่เราอาโลโกตปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราไม่ใช่แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ ไม่ใช่แสงสว่างแห่งไฟฟ้าแต่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาแห่งวิชาที่ส่องออกไปข้างหน้าที่นี้พอส่องไปแล้วก็เห็นเห็น น, นั่นเกิดจากกุงอุตาปาทิยาณอุตาปาทิปัญญาอุตาปาทิวิชาอุตาปาทิอาโลโกตาปาทิเกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ต้องใช้แล้วทีนี้นี่เป็นปัญญาแล้วปัญญาที่ปฏิบัติตามอริยมรรยวงแปดพอเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่ทีนี้สิ่งที่จะเข้าไปเห็น ก็คือพวกนี้แหละจกักกุงตปาฏิยาณังุตปาฏิปัญญาุตปาฏิวิชาตปาฏิอาโลโกตปาฏินี่เครื่องมือนี่คือปัญญาที่ปฏิบัติแล้วทําให้เกิดปัญญาพอทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็เท่ากับว่านั่นคือตัวอริยมรตมาจากตัวอริยมรตเกิดปัญญาขึ้นมาแล้ว ปัญญานั้นก็สรุปว่าเป็นนิโรธปัญญานั้นเป็นนิโรธคือว่าสําหรับทําอะไรนิโรธมีไหวสําสหรับดับนิโรธน่ะคือดับดับมีไหวสําหรับดับดับอะไรก็คือดับอวิชชานั่นแหละมีไหวสําสหรับที่จะดับอวิชชาอาวิชชาเป็นตัวทุกข์ เหตุได้เกิดทุกข์คือสมุทัยทีนี้นิโรธที่เราได้ผลมาจากการปฏิบัติตามอริยมรรคมนองค์แปเมื่อเกิดนิโรธมาแล้วนิโรธนั้นก็เอาไปดับที่สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ไปดับที่เหตุให้เกิดทุกข์พอดับที่เหตุให้เกิดทุกข์ไอตัวเหตุที่ ให้เกิดทุกนี่แหละมันป้อนอาหารราคะตสาโมหะป้อนให้อวิชชาอาวิชชามันเลยไม่ตายมันอยู่ได้จนทุกวันนี้แหละมันครอบงำ ม, มนุษย์ทั่วโลกเลยอวิชชาตัวนี้นอกจากพระอริยเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรม ที่ยังไม่ได้บวชแต่ว่าจิตใจภายในเขาสามารถที่จะดับได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้นิโรธมาแล้วก็ต้องดับที่เหตุให้เกิดทุกข์เมื่อดับที่เหตุให้เกิดทุกข์ไอตัวทุกข์มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ตัวทุกข์ในที่นี้ก็คือตัวอวิชชาเห็นไหมตัวอวิชชาทีนี้หลวงพ่อก็พูดแล้วพูดอีกมันจำเป็นที่จะต้องพูดที่บอกว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูนั่นให้ภาวนากันว่าไม่ใช่กูน่ะปกติเราก็ไม่ได้ภาวนาคำว่ากูแต่มันก็เป็นอยู่แล้ว คำว่ากูนี่มันเป็นอยู่แล้วตาก็กูหูก็กูจมูกก็กูลิ้นกายใจกูหมดแล้วก็มูมีของกูหมดมมก็เลยมีแต่กูกับของกูพอกูทีหนึ่งอวิชชาเกิดทีหนึ่งกูทีหนึ่ ง, งอวิชชาเกิดทีหนึ่งมันก็เลยใหญ่โตมาโหฬารเท่ากับภูเขาวอวิชชานะันมันใหญ่โตจริงๆเพราะใหญ่โตแล้วมัน ครอบงามันมีลูกน้องอยู่เป็นแถวสังขารวิญญาณนามรูปอเยตนาผัสสะเวทนาตนาอุปาทานพบชาติจรามรณะสโสกกาผลิเทวทุกขโทมณัตจาอุปายาตเป็นลูกน้องอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาหมดเราก็เลยมีความทุกันอยู่แต่ละวันแต่ละวันมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ละวันแต่ละคืน มันก็เลยมีความทุกข์ตลอดไปแต่เราไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่ามันมีความทุกข์เพราะมันชินชินอยู่กับความทุกข์นอกจากว่าทุกข์ให้มันแรงเกิดแรงขึ้นมาอย่างนี้เช่นว่าทุกข์จากเกิดแผ่นดินไหวอย่างนี้จนเอาชีวิตไม่รอดนั่นก็ทุกข์หนัก หรือว่าทุกคนที่รักตายไปอะไรตายไปนั่นก็ทุกเรว่าทุกตัวเองจะตายขึ้นมามาเร่งขั้นที่สามแล้วหมอบอกว่าอยู่ได้สามเดือนยิ่งทุกใหญ่เลยทีนี้เพราะมันกลัวตายทุกกลัวตายเนี่ยมีทุกคน ถ้าไม่ปฏิบัติทำไม้ถึงขั้นนี่ก็จะมีทุกข์กลัวตายทุกข์กลัวตายแล้วก็ยังไม่พอมันทุกข์กลัวเจ็บทุกข์กลัวเจ็บแล้วก็ยังไม่พอมันทุกข์กลัวแก่ไม่ใช่มันรู้ความแก่มันไปกลัวความแก่มันโง้หรือว่ามันฉลาดเนี่ยไปทุกข์กลัวแก่ทีนี้ทุกข์กลัวหนุ่มกลัวสาวมันก็ทุกข์เหมือนกัน แต่ก็ไม่เรียกว่าทุกขเขาเรียกว่าสุขเวทนาตัวนั้นเรียกว่าสุขเวทนาคนหนุ่มคนสาวนะถ้าใครที่หล่อใครที่สวยเกิดเวทนาเกิดสุขเวทนาหลงตัวเองคนนั้นหลงตัวเองนั่นก็ทุกข์เหมือนกันสุขเวทนาก็คือทุกข์เหมือนที่ว่ามาโดยละเอียดแล้วเมื่อคืนนั่น สุขเวทนาก็คือทุกข์ไอ้ทุกขเวทนาก็คือทุกขทุกขมาสุขเวทนานั่นคือตัวอวิชชาตัวเจ้าของทุกขอวิชชาเป็นเจ้าของทุกทุกทุกตัวเพราะฉะนั้นทุกที่เกิดก็เพราะอยู่ใต้อํานาจของอวิชชาทีนี้เราก็เลยต้องอาศัย การปฏิบัติตามอริยมรรคมนองค์แปดทำให้เกิดจากขงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิแล้วเราก็ได้พลังปัญญามาพอได้พลังปัญญามากลายเรียกว่านิโรธคือผลของการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดทีนี้เมื่อก่อนที่ไม่มีนิโรธนะ มันเกิดอย่างไรรูทีท่มันเกิดอย่างไรทุกม an ันเกิดอย่างไรเหตุไ <selves>. ด้เกิดทุกนั่นแหละเหตุได้เกิดทุกเ์นเหตุได้เกิดความโกรธเหตุได้เกิดความโลภเหตุได้เกิดความหลงเหตุมันเกิดยังไงมันเกิดยังไงมันเกิดทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจมันเกิดอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน แล้วอวิชามันก็ได้อาหารทีนี้พออวิชาได้อาหารอวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยทําให้เกิดจรายาธนาสจรายตนาเป็นปัจจัยทําให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทําให้เกิดตัณหา ปัญหาเป็นปัจจัยทําให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยทําให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยทําให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยทําให้เกิดจรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมณัสสาอุปายาตน่าเบื่อฟังแล้วน่าเบื่อเพราะฟังไม่ถูกเพราะมันเป็นภาษาของชาวอินเดีย แต่เราก็จะต้องเอาต้นฉบับออกไว้นั่นคือเรื่องที่มันทำให้ปัจจัยให้เกิดทุกเกิดทุกเกิดทุกเกิดทุกเกิดทยอยกันไปอย่างนั้นคือตัววิชชาเป็นต้นเหตุทีนี้พอเราปฏิบัติตามที่พระองคืคอพระพุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้านะ เมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะต้องรู้เรื่องนี้แต่รู้โดยละเอียดด้วยรู้โดยละเอียดแต่เราไม่ต้องละเอียดเกินไปเพียงแต่ว่าจะกัดกั้นความทุกข์ให้มันผอมลงผอมลงผอมลงก็ใช้ได้ทีนี้ความทุกข์เกิดก็เพราะเหตุได้เกิดทุกข์นั่นแหละความทุกข์ดับก็ต้องดับที่เหตุมันก่อน ดับที่ตัวเหตุคือตัวสมุทัยคือตัวเหตุคือตัวเหตุให้เกิดทุกพอดับตัวเหตุให้เกิดทุกไอตัวทุกขคือตัวอวิชามันกระดับไอตัวอวิชานั้นน่ยคือเราเอาความรู้สึกมาเป็นตัวกู้เอาจิตนำมาเป็นตัวกู้พอเอาจิตมาเป็นตัวกู้จิตนั้นก็เลยถูก ครอบกลุ่มด้วยอวิชชาทันทีคือด้วยอำนาจของความโง่ทันทีทีนี้อวิชชามันเกิดเกิดเพราะอะไรเหตุมันเหตุที่เกิดอวิชชานั้นเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่รู้อริยสัจสีไม่รู้อริยสัจสีอริยสัจสีก็คือทุกขโมงไทยนิโรธมรรคนั่นแหละเพราะมันไม่รู้อริยสัจสี่ จึงเรียกว่าอาวิชาาวชาอาวิชชาอวิชชาแปลว่าทั้งมืดแล้วก็ทั้งบอดก็เท่ากับว่าทั้งหูหนวกทั้งตาบอดอวิชชาตัวนั้นทีนี้มันมาจากเหตุคือมันไม่รู้อริยสัจสี่เมื่อจิตตัวนั้นจิตที่เป็นอวิชชาน่ไม่รู้อริยสัจสี่ก็คือเหตุมัน เหตุที่นี้เมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรตมีองแปดเราก็ได้ผลมาคือนิโรดนิโรดนั้นคือตัวปัญญาที่สูงสุดให้เราก็เอาไปใส่เอาไปแก้ไอตัวสมุทัยนั่นแหละตัวสมุทัยให้ตัวสมุทั ย, ไ อ, ทยไอตัวที่มันเป็นเหตุนั่นแหละมันรู้ขึ้นมามันรู้ขึ้นมามันอะไรขึ้นมา มันรู้ขึ้นมาว่าอริีสัตว์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือเมื่อก่อนตัวสมุทัยเนี่ยมันตัวโง่ตัวลูกศิษย์ของคือว่าตัวเหตุที่มันทําให้เกิดความโง่ขึ้นมาแล้วทำยังไงทีนี้ก็ทําให้มันฉลาดขึ้นมาพอทําจิตตัวนั้นให้ฉลาดทําจิตตัวนั้นให้ฉลาดไอ้ความโง่มันก็หายไปทีนี้เมื่อก่อนตัวนั้น มันตัวนาความมืดมาตัวนาความมืดตัวไม่มีแสงสว่างมันมืดทำให้จิตมืดจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาและมันมืดนี้เมื่อเราปฏิบัติตามเรียมักเมองแป8เราก็ได้ไม่ขีดมาแล้วหรือว่าเรามีสิ่งที่เราจะ ทําในสมัยนี้นะที่คือเรื่องเทคโนโลยีนะเราก็รู้แล้วว่าไอ้นี่มันสวิตมันอยู่ที่ตรงนี้เราเข้าไปในห้องห้องมันมืดมืดเราก็รู้แล้วสวิตมันอยู่ตรงนี้มันก็ไปถึงมันก็เปิดสวิตไอ้มืดมันก็หายดิจะอยู่ยังไงมืดหายหมดนี้หมดมืดหนีหมด แต่เราจะต้องเรียนรู้มาก่อนเรียนรู้ว่านี่มันมีสวิตไฟอยู่ไฟฟ้านะ่ะก็ทำมาแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เราก็เรียนรู้แล้ ว, เ ร, รลวเราก็ปฏิบัติเหมือนอาลีมัตอาลีมัตไม่องเปดอย่างนั้นแหละเรียนรู้แล้วพอเราเข้าไปในห้องเราก็ไปถึงเปิดสวิตไอ้ความมืดนั้นก็หายไป นั่นเนี่ยคือตัวอวิชชาน่ยมันหายไปเพราะตัวอวิชชาหายไปเราไม่เรียกว่าหายทีนี้เราเรียกว่าดับเรียกว่าดับอวิชชาดับเมื่อกี้น่ะควายเกิดอวิชชาดับอวิชชาดับแล้วก็สังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับจรายตนนดับ สรายตนาดับผัสชาดับผัสชาดับเวทนาดับเวทนาดับตัณหาดับตัณหาดับอุปาทานดับอุปาทานดับพบดับพบดับชาติดับชาติดับชรามรณโสกาปริตเทวทุกขโตมณัตตาอุปาญาตดับดับเพราะอะไรดับเพราะเรามีของดีนั่นเลยคือเราผลิตอริยมรรมาองค์แปดมีหน้าที่ในการที่จะผลิต ผลิปัญญาออกมาถ้าใครไปปฏิบัติตามอริยมรรคในองแปดก็จะผลิตปัญญาออกมากพอผลิตปัญญาออกมาแล้วเือก็ผลิตดวงตาขึ้นมาผลิตญาณขึ้นมาผลิตวิชาขึ้นมาผลิตอะไรขึ้นมาใ น, ในเรื่องนั้นในเรื่องจักขอุตปาทิญาณตปาทิปัญญาตปาทิวิชารตปาทิ ทีนี้ก็เอามาใส่ในกู้ปรับคือไอ้ตัวมืดนั้นแหละพอออกมาใส่ในตัวมืดเพราะว่าอันนี้มันไม่มืดนี่มันมีสว่างปัญญาเนี่ยมันสว่างเรียกว่าอาโลโกตปาธินั่นคือสว่างแห่งปัญญาความสว่างแห่งปัญญาเหมือนที่หลวงพ่อพูดเมื่อคืนนั่นว่านักวิทยาศาสตร์ เห็นกับกล้องดูดาวแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมะเห็นกับกล้องคือปัญญาเห็นว่าดาวทุกดวงเกิดดับเกิดดับเกิดดับดาวทุกดวงเกิดดับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์จะต้องส่องกล้องจึงจะเห็นได้คนหนึ่งเห็นกับวัตถุแต่คนเฮงคนหนึ่งเห็นกับยาน เกิดเห็นกับปัญญ า, าทีน่นี้ทุกอย่างมันมีแต่เรื่องเกิดดับมันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเกิดในที่นี้หมายถึงเกิดทุกเพราะมันเกิดนะคือเกิดตัวกูอวิชชานะ่มันก็คือตัวกูเพราะมันเกิดตัวกูขึ้นมาอาวิชชาเป็นจิตกูพอเป็นจิตกูและการกระทำทางกายทางวาจาทางใจคิดทางใจ เป็นกูหมดอะไรมันก็เป็นกูหมดพ็เป็นกูหมดมันก็เป็นทุกข์เลทีนี้พอเริ่มเป็นกูขึ้นมามันก็เป็นทุกข์แล้วมันเป็นเป็นทุกข์แล้วทีนี้พอสายดับเนี่ยสายดับ น, น่ตัวทุกข์นี่ต้องดับมันต้องดับไม่ดับมันไม่ได้เพรานั้นมันก็ทนมันทรมานจนตายจนตายเลยมันมีแต่ความทุกข์ ได้มาก็เป็นทุกข์ก็ดูง่ายง่ายดูง่ายง่ว่าเรานี่เป็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยมีเงินเงินเดือนสี่0มื0น0้าหมื่นหนึ่งสนสองแสนอย่างนี้เป็นยังไงเมื่อก่อนที่เรามีเงินเพียงหมื่นกว่าบาทหรือว่าสตาร์ทงานอย่างนี้สองมืน่นสามมืนก็อยู่ได้อยู่ได้ ทีนี้พอเป็นยังไงพอมากขึ้นมาความทุกข์นั้นก็เพิ่มเพิ่มตามตัวเงินอีกแล้วเพราะเข้าไปยึดถือมันเพิ่มตามตัวเงินมันเพิ่มตามตัวเงินกับความทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้นคนที่มีเงินมากมีทองมากมีทรัพย์สมบัติมากก็ยิ่งเข้าไปยึดถือถ้าเข้าไปยึดถือเลยมันก็ยิ่งทุกข์เนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์ ดะนั้นพวกที่เป็นมหาเศรษฐีนะ่มันก็เลยปฏิบัติธรรมะไม่ได้เป็นห่วงมานั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกมหาเศรษฐีนะ่เวลาก็เป็นเงินเป็นทองหมดหาลูกเดียวคิดเรื่องได้ลูกเดียวเรื่องเสียไม่มีนี่คือก็ทุกข์ทั้งนั้น สรุปแล้วว่าคือทุกทั้งนั้นทุกมันเกิดเพราะจิตมันโง่นั่นแหละพะจิตโง่นั้นก็เป็นเดชให้เกิดทุกขให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาทีนี่ในสายสายดับอวิชยตาเววาเสชาเวลาคนิโรธาสังขารานิโรโธสังขารานิโรธาวิญญาณนะิโรโทวิญญาณนิโรธา มันก็ดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสเป็นขั้นตอนเราจะดับทีเดียวเพราะว่าปัญญาของเรายังไม่พอแต่ถึงยังไงเราก็จะต้องเห็นอริยสัจก่อนเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่ตัวแรกนั่นแหละตัวแรกก็คือเห็น ทุกสมูทัยนิโรธมักเข้าใจเห็นแล้วก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็เห็นแจ้งเห็นแจ้งก็เอามาจับทีนี้ออกมาจับเอามาจับตัวไหนอย่างที่เราสวดเมื่อตะกี้นี้ก็จับมาจากตัวข้างล่างเปิดดูหนังสือก็ได้โยมเปิดดูหนังสือก็ได้ถ้าใครไม่จำจารามรณะโสกปริเทวะทุกัโทมณัตญาอุปายาต สะรามรณโสกาปริเทวทุกโธมานัสธาอุปาญาตความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความรัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์จนกระทั่งว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันตังหะเจอการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูป ในเวทนาสัญญาจังขานวิญญาณว่าเป็นตัวกูนั่นคือตัวทุกหมดนี่คือทุกเราตั้งโจทย์แล้วนะตอนนี้นะให้เข้าใจนะนี่เราตั้งโจทย์แล้วตั้งโจทย์คือชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนะเจ้าปายาตเป็นตัวทุกทีนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะหาอริยสัจสี่เราก็เลยว่า ไอ้นี่ค um, ือตัวทุกข์จารามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมณฑาอุปายาตเหตุใ้เกิดทุกข์คืออะไรเพอได้เหตุใดเกิดทุกข์ก็คือชาติเปิดดูเปิดดูเด่นตะตำราเหตุใดเกิดทุกข์คือชาติชาติชาติชาติชติชาติคือความเกิดชาติคือความเกิดแต่อย่าไปเข้าใจว่าเกิดจากท้องแม่ ชาต์คือความรู้สึกว่าเกิดตัวกูขึ้นมาเกิดตัวกูขึ้นมาทีหนึ่งเกิดชาติตีหนึ่งตัวกูทีหนึ่งเกิดชาติทีหนึ่งไอ้เมื่อคืนหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ตัวชาตินี่แหละความรู้สึกว่าตัวกูนี่แหละมันจะฝังตัวเข้าไปในชราพอเกิดชาติเกิดความรู้สึกว่าตัวกูพอเกิดความรู้สึกว่าตัวกู เราก็เป็นกูเจราคือความแก่ก็เป็นกูความเจ็บก็เป็นกูความตายก็เป็นกูเงี้ยเป็นกูหมดมันเข้าไปฝังตัวหมดฉะนั้นหนึ่งความทุกข์สองเหตุได้เกิดทุกข์เหตุได้เกิดทุกข์คือชาติการดับทุกข์ดับที่ตรงไหนการดับทุกข์ก็คือต้องดับชาติ คือดับความรู้สึกว่าตัวกูที่อยู่ข้างหน้านั่นแหละดับความรู้สึกว่าตัวกูทีนี้หนทางในการปฏิบัติที่จะดับชาตินั้นต้องปฏิบัติตามอริยมรกมีองค์แปดก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจ aja าสัมมนกัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาส ม, มาธินี่เราจะได้แล้วเห็นไหย เราจะได้อาริยสัจสี่แล้วได้อริยสัจสี่แล้วทีนี้ต่อไปอีกเราก็ตั้งอีกตั้งโจทย์ขึ้นมาอีกตั้งโจทย์ขึ้นมาอีกว่าชาติเป็นตัวทุกข์ทีนี้เมื่อชาติเป็นตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือพบก็คือพบพบก็มีกามมาพบ รูปภพอรูปภพภพนี่ไม่ค่อยมีรายละเอียดแต่ว่าถ้าคนที่ได้อภิญญาก็จะเห็นรูปภพอรูปภพเนี่ยก็จะเห็นได้รูปภพอรูปภพมันจะเป็นพวกเทพพวกอะไรพวกนั้นน่พวกเทพที่ถ้าเป็นพวกเราเรียก็หลงในรูปถ้าในเมืองมนุษย์นี่เรียกว่าหลงในรูป อรูปภพอรูปภพในไม่ได้หลงในรูปหลงในสิ่งเหล่าอื่นเช่นว่าเลี้ยงนกเขาหรือว่าเลี้ยงนกกรงหัวจกอะไรแบบนี้มันก็หลงทางนั้นพวกหลงทางนั้นหลงในเสียงหลงในเพชรนินจินดาหลงในความสวยความงามนั่นคือภพภพของมนุษย์แต่ว่าภพที่ ที่เป็นเช่นว่าเป็นเทพเป็นเทพแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นนั่นมันมันเป็นแต่ละมิติมิติมิติที่มันซ้อนกันไม่ใช่มันอยู่บนกลางอาวกาศมันอยู่นี้แหละอยู่ในโลกนี้แหละอยู่ในโลกอยู่ใกล้ๆ้เราที่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเราจิตละเอียดเราก็จะเห็นนั่นคือเรื่องของพบกามาพบ รูปภพรูปภพบอนี่ที่กล่าวว่าชาติคือตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือภพเหตุได้เกิดทุกข์คือภพเพราะเราไปหลงภพไปหลงภพเป่นว่าพอทำบุญเยขอให้เกิดเป็นเทพขอให้เกิดเป็นเทวดาขอให้เกิดเป็นคนสวยขอให้เกิดเป็นคนรวยไปขอเนี่ยไปขออะไรมันก็ขยันก็ดิ ขยันในการหารู่หาทางในการทำมาหากินขยันในการประหยัดมันก็รวยในแต่อย่างนั้นมันก็รวยเลยทียนี้ไม่ขยันไปไหว้พระเจ็ดวัดเก้าวัด ต, ต่อไปไหวแต่ก็ร้อยวัดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเสียเงินแต่ข้ารถกันไม่ไหวอย่างนั้นนี่เขเก้าวัดมันน้อยไปเก้าวัดเอาจากร้อยวัดจากพันวัดที่อย่างนั้น นี่มันคือไปตือในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์งัมันก็บัญญัติกันขึ้นมาเองทั้งนั้นไม่ตามพระพุทธเจ้าทีนี้ชาติเหตุให้เกิดชาติคือพบการดับชาติต้องดับที่พบดับที่พบก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองแปดอีกพอปฏิบัติตามอริยมรรคมีองแปด ก็ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดจากขุงอุตปาทิยานุตปาทิปัญญาตปาทิวิชาวตปาทิอาโลโกตปาทิมันก็เลยดับพบได้พอพบมันเป็นเหตุแล้วตอนนี้ดับพบได้พอดับพบได้ชาติมันก็ดับอตัวกูนะมันก็ดับชาติมันเป็นตัวกูเป็นตัวทุกข์ชาติดับชาติดับทีนี้ ต่อไปข้างบนอีกต่อไปข้างบนอีกเราก็เอาเป็นตัวตั้งขึ้นมาอีกเป็นโจทย์ขึ้นมาอีกโจทย์ขึ้นมาอีกก็เอาอะไรทีเนี้ยจากพบก็เป็นอุปาทานอุปาทานกามุปาทานทตฏถูปาทานสีรับประตูปาทานอัตวาทุปาทาน ภาษาบาลีทางนั้นเลยกามุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นในกามในวัตถุต่างๆเป็นบ้านเป็นช่องเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆรถยนต์รถอะไรก็ทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าวัตถุกามทีนี้ในเรื่องระหว่างเพศก็เรียกว่ากิลเลสกามเรียกว่ากิลเลสกามกามุปาทาน เร่อความยึดมั่นถือมั่นในกามทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นของตัวเองนั่งเถียงกันจนหน้าเขียวหน้าแดงเห็นไหมมันทิฏฐุปาทานทางนั้นะงี้ทิฏฐุปาทานทางนั้นไอ้คนโน้นก็ว่าของกูถูกไอ้คนนี้ก็ว่าของกูถูกนั่นคือทิฏฐุปาทาน กาโมปาทานติดถูปาทานศีลับประตูปาทานยึดมั่นถือมั่นในศีลพลดโอ้ยแปลไม่ได้ทำวัดนี่แปลไม่ได้แปลแล้วมันจะไม่ได้บุญนั่นไอ้พวกติดถูศีลับประตูปาทานเพราะฉะนั้นอย่าเอามาแปลเลยของสวนโมกนะ่ะเราตรวจกันอยู่อย่างนี้แล้วดีแล้วไม่ต้องแปลนั่นเห็นไหม ให้มันโง่ต่อไปพวกนั้นอย่าฉลาดเกิดมาชาติหนึ่งเกิดมาโง่เห็นไหมเราสวดกันเมื่อก่อนแค่ว่าสมัยที่หลวงพ่อเป็นเนนนีอ่อ้าวก่อนจะห่มจีวร น, นะต้องยะถาปัจจะยังก่อนยะถาปัจจะยังปวัตตมานางธาตุมัตตาเมเวตังยติตังจีวรังตาตุปปุญจโกจะปุกาโร นิสตโตนิจิโวสุนโยอะไรก็ไม่รู้แปลไม่ออกสักตัวหนึ่งก็ว่ากันอยู่อย่างนั้นเนาะเพราะปฏิจจันอยู่ก่อนก็บอกให้ว่าเวลาห่มจีวรเราก็ว่าไม่รู้อะไรสักตัวหนึ่งทีนี้อย่างปฏิจจสรรมุปบาทนี่ยเมมีไว้ทำไมเนี่ ย, ยวิชาปัจจาสังการาสังการาปัจจยาวิญญาณัง เมื่อก่อนก็ไหวสวดศพได้มาทีละสิบบาทสิบบาทตอนที่เป็นเนยเนี่ยว้ขายเขาจำธุรกิจไม่ได้ไว้ปฏิบัติอาตมาก็เลยจำมาตั้งแต่น้นตั้งแต่เป็นสา ม, มนเณรติป้าติบกปีโ น, น้นไม่รู้เรื่องเลยนี่ถ้าหากว่าท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสไม่แปลออกมาแล้วเราไม่ยังดักดานอยู่อย่างนั้นเหะ ทีนี่คนที่ยังดักดานในสมัยนี้มันยังมีเยอะเหลือเกินพอทําวัดแปลของสวนโมกขยายออกไปขยายออกไปบางวัดก็ว่าอย่าตรวจเลยไม่ต้องแปลแปลแล้วมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อ้าวจะเอาศักดิ์สิทธิ์นนไม่ได้เกิดบนสวรรค์อะไรพวกนั้นเอาศักดิ์สิทธิ์กันทางนั้นเลยเนี่ยมันดักดานอยู่อย่างนั้นแหละพวกนี้ ีนี้เราได้รู้ขึ้นมามีพระรูปไหนบ้างนะที่แปลนะไม่มีนี่ไม่มีมีพระรูปไหนบ้างที่ไปคัดในพระไตรปิฎกออกมาทั้ง45เล่มท่านอาจารย์พุทธทาสท่านทำได้มีอะไรเล่าความเล่าเล่าความก่อนเกิดตอนที่ท่านอาจารย์พุทธทาส จะคลอดออกมา น, น่คือท่านอยู่ที่ภูมิเลียงที่นี่มีพระรูปหนึ่งมีพระสูงอายุที่วัดแถวภูมิเลียงนั่นแหละในคืนนั้นท่านก็นิมิตว่ามีช้างตัวหนึ่งมาแทงเอางานี่ยมาแทงแ ท, ทงตู้พระไตรปิฎกพังหมดเลย แต่งตู้พระเจวิดกพังหมดเลยอนี้ตอนเช้าท่านก็ไปบินทบาตเมื่อท่านไปบินทบาตท่ทานก็ถามว่าลูกใครเกิดบ้างเมื่อคืนท่านรู้แ้รท่านรู้ได้เห็นไหมใครลูกใครเกิดเมื่อคือนก็เรียกว่าเกิดไม่เรียกว่าคลอดสมัมนี้มันทันสมัยที่นี้เขาว่าเกิดสองคนเกิดสองคนคนหนึ่งก็ เรียนได้เป็นทนายความแต่คนหนึ่งก็คือพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสคือเด็กใจเงื่อมเด็กใจเงื่อนเขก็เลยพุ่งไปที่โน้นเหมือนกับว่าธรรมชาติเขาปิดเอาไว้ไม่ให้เห็นทีนี้ก็คนหนึ่งอย่าเอ่ยชื่อก็เลยนะแต่็กเาก็ตายแล้วถึงเอ่ยก็คงจะไม่เป็นไร เขาชื่อนายปิว๋วชื่อนายปิ๋วไนีได้ปิวเรียนไปเรียนไปก็ได้เป็นทนายความท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็เป็นเด็กวัดพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษก็หนักแน่นในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเด็กใจเงื้อมนั่นแหละ คือท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็มาเป็นช้างที่มาแทงถราไตรปิฎกตู้พระใจบิด ก, ดกพังหมดเลยเห็นไหมพังหมดเลยชีวิตของท่านที่ได้รางวัลยูเนสโก่น่ก็สมควรแล้วนี่ไม่ใช่ว่าจะเชียรย์อาจารย์เอง คนอื่นไม่เห็นถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็ตามให้ท่านเปรย์เปรเปรเเ ร, รออกมาเปรย์เราจนเราอ่านไม่ทันเราอ่านกันไม่หมดตรงใจถ้าใครตายแล้วเกิดอีกได้มาอ่านอีกไดต่อไปเพราะมันเยอะแยะแต่ละเล่มแต่ละเล่ ม, มนี่เยอะแยะหมดแต่ว่าตอนที่หลวงพ่อไปอยู่ที่สวนโมกหลวงพ่อก็ผ่านผ่านด้วยการฟัง ผ่านด้วยการฟังแล้วก็เอามาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็ทบทวนนีก็ทบทวนทบทวนไปว่าที่ปฏิบัตินี้ถูกหรือ ว, ว่าไม่ถูกเป็นไปตามทํามนองที่ท่านแปลมาหมนี่นี่คือไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สวดแล้วให้มันศักดิ์สิทธิ์ตรวจแล้วมันรู้เรื่องแล้วกนเอามาปฏิบัติได้ ทีนี้ไอ้ที่ตั้งหัวข้อไว้ว่าอุปาทานอุปาทานกามุปาทานทิฏฐุปาทานนั่นคือพวกทิฏฐิทิฏฐุปาทานเตียวว่ายึดถือทิฏฐิของตัวเองศีลประตูปาตาปาทานก็คือยึดมั่นถือมั่นท้งนั้นในเรื่องศีพลพรษยึดมั่นถือมั่นมารับศีลเพื่อจะไปสวรรค์กันไม่ใช่รับศีลเพื่อจะ กัดเกลากายวาจาเพื่อจะไปสวรรค์นั่นเรียกว่าสีละประตูปาทานนี่ตัวที่สี่อั ต, ตวาทุปาทานอั ต, ตวาทุปาทานก็คืออัตตาและก็อุปาทานออกมาเชื่อมกันเชื่อมกันก็คือเข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นว่าตัวตนว่าตัวกู ก้าวไปยึดมั่นถือมันว่าตัวกูทีนี้เราก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าทิฏฐูปาธาไอ้อุปาทานสนั่นเป็นตัวทุกขเป็นตัวทุกเป็นตัวทุกเหตุเกิดอุปาทานเหตุเกิดอุปาทานก็คือเออเหตุเกิดทุกเหตุเกิดทุกก็คือตัวตัณหาตัวข้างบนน่ะตัวตัณหาการที่จะดับทุก คือจะดับอุปาทานนั้นเนี่ยการที่เราจะดับทุกขอุปาทานเหตุเกิดของอุปาทานความดับอุปาทานวิธีที่จะดับอุปาทานพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจหรอกอุปาทานคือตัวทุกขเหตุเกิดอุปาทานคือตัวตัณหาความดับอุปาทานต้องดับที่ตัณหาดับที่ตัณหาต้องปฏิบัติตามอริยมรรคในองค์แปด เมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคมนองค์แปดตัณหาก็ดัดจะดับพอตัณหาดับอุปาทานมันจะอยู่กับใครทีเนี้ยอุปาทานก็ดับก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดว่าอาวิชชาดับก็เพราะเหตุที่เกิดอวิชชาขึ้นมาเราเรียกว่าสมุ ท, ทยนะัยเนี่ยเพราะเหตุที่ เกิดอวิชานั้นมันดับทําให้มันดับเราทาเหตุให้มันดับไอ้ตัวผลคือตัวอวิชชาตัวความโง่นั้นมันก็ดับ น, นี่มันก็เหมือนกันเลยนี่มันก็เหมือนกันทีนี้อุปาทานเหตุเกิดของอุปาทานคือตัณหาความดับอุปาทานก็ต้องดับตัวตัณหาดับตัวตัณหาต้องปฏิบัติตามมริยมักไมองแปดอุปาทานก็ดับ เอาทีนี้เราตั้งโจทย์ขึ้นมาอีกคงจะเข้าใจสักครั้งหนึ่งครั้งสิบ็ครั้งสิบสอครั้งเนี่ยแต่ใครเข้าใจสักครั้งก็จะเข้าใจหมดไอ้นี่เราตั้งโจทย์ตัวทุกข์ก็คือตัวตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากกามะตัณหาตัณ ห, หาในกามตัณหาในกามกามระหว่างเพศแปลว่ากา ม, มาวัตถุ การมตณหาภาวตัตนาอยากมีอยากเป็นกูอยากจะเป็นผู้แทนกูอยากจะเป็นรัฐมนตรีกูอยากจะเป็นนายกนั่นตัวตนาตรงนั้นถ้าอยากเลยก็คือตนาแต่ถ้าทำไปด้วยอำนาจของจติตปัญญาทำไปด้วยอำนาจของจติตปัญญาไม่ใช่ทำด้วยอำนาจของความอยากมันไม่ต้องทุก ไม่ต้องทุกข์อย่างนั้นมันไม่ต้องทุกข์ทีนี้กามตนะภาวะตนาอยากมีอยากเป็นพอไปตัวที่สามวิภาวะตนามันอยากมีก็ไม่มีอยากเป็นก็ไม่ได้เป็นทีนี้มันมาอยากที่สามแล้วอยากตายทีนี้ก็เลยได้ตายกันทุกวันเห็นไหมนี่ก็ยิงตัวตายเดี๋ยวก็ กระโดดสะพานตายวางทีก็มีวิธีต่างๆผูกคอตายกินยาตายอะไรตายนี่พวกหาเรื่องตายทั้งนั้นเนี่ยพวกนี้เพราะมันหมดหมดมันมันขาดอะไรลองคิดดูเพราะมันขาดปัญญาน่นนแหละทำมทำนาเพี้ยลงในานานี่ไปผูกคอตายโอ้ย หมดปัญญาเลยเห็นไหมไม่มีปัญญาเลยแล้วก็มีวิธีกาจัดเพี้ยเนี่ยทำไว้ไปผูกก็ตายเมื่อวานเองที่สุพรรณบุรีไปดูข้าวเพี้ยลงหมดเลยเอา้อาวลงหมดมันหมดแล้วก็ทำไงดิมันเรื่องอะไรไปตายทำไมมีคนหด่งมาที่นี้มาหาหลวงพ่อ ตอนที่พายุลมหนักตอนนั้นอยู่แถวปากะยูนว่ามาจากไหนมาจากปากพยูนผมหมดท่าแล้วอ้าวหมดท่ายังไงสวนยางยี่สิบร่ล้มหมดอา้าวก้อยมันล้มไปดิมันโดนพายุแล้วว่าจิตคุณยังมีไหมตอนนี้คุณทาจิตใหญมันล้มดิจิตยังมีอยู่ แล้วก็หาวิธีหาวิธีต้นไอ้ต้นหนอยที่มันยังไม่ล้มถึงดินก็ ค, คุณจัดการที่ดึงมันขึ้นไปแต่กดหลุมให้มันปลูกมันใหม่ทำมันให้ได้ทีนี้เราทำมันใช่ไหมถ้าเราทำมันก็อยาให้มันทำเราดิเพราะนั้นเสียอะไรก็เสียไปก็บอกว่าอย่าเสียใจถ้าใจเสียไปหมดไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือ ดังนั้นจิตใจนี่หยาดเสียจิตใจหยาดเสียทอ่ญาติโยมก็เห็นแล้วว่าตอนนี้หลวงพ่ออยู่องค์เดียวก็ช่างหัวมันเป็นไรไปออยู่กับพระบ้าบ้าเลยอยู่ทํำไมมันมีปัญหามันมีปัญหาอยู่องค์เดียวตอนขึ้นมาก็อยู่องค์เดียวและเวลาเราตายนะใครจะช่วยตายเราเราก็ตายคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาสาหรับหลวงพ่อ มีทางออกอยู่เสมอเลยทางออกเราหาได้แต่เสร็จแล้วอย่าให้มันเกิดความรําคาญขึ้นมานี่ ร, ารําคาญเฉพาะหลวงพ่อไม่พอแต่ามาโยมรําคาญด้วยเอาไปบินตาบาตตอนเช้านี่เด็กมาบอกไปบินตบาตโอ้ไปเคาะเพลงอยู่เคาะกบบาทเออเคาะกบบาทก็เป็นเพลงเลยชาวบ้านก็บอกว่าโอ้อย่างนี้ไม่ใส่ให้ฉันแล้ว น, นี่ถ้าหลวงพ่อไปกับหลวงไฉอดอะไดอย่างนี้ บอกพระทำดีเอาไว้อย่างนี้แต่ว่าพรุ่งนี้จะให้เด็กไปก่อนเด็กบอกว่ามาลื่นนี้หลวงพ่อจะไปเองก็จะได้รู้จะได้ไปแก้ข่าวกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวทุกอย่างมีทางออกมีทางออกทังนั้นเลยอย่าไปผูกคอตายเพราะเรี้ยมลงในนาเมอบลมละลายก็มันล่มไป พอเสียเงินเป็นล้านล้านเป็นสิบล้านก็เมื่อก่อนที่ไม่มีอะไรอต่ทไมมันอยู่ได้พอมีขึ้นมาเก็อยากตายขึ้นมาพอมันล่มละลายไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรทำจิตให้เข้มแข็งเอาไว้แต่ว่าจิตเข้มแข็งได้ต้องอาศัยปัญญาต้องมีปัญญาต้องหาวิธีหาวิธีหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้นี่พ่อหลวงพ่อมาอยู่นี่มาอยู่ เมื่อก่อนเพราะว่าพระกกเคยมาอยู่วัดเหนงมาอยู่ก่อนแล้วก็ก็อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ก็เป็นพระธรรมยุทธ์นี่เราพูดเรื่องมาเรื่องมาอันนี้กายกับธรรมยุธทธทีนี้พอหลวงพ่อมาอยู่ก็ก็ไม่พอใจไม่พอใจทีนี้เอ็นยังไงนายกเทศมนตรีในสมัยนั้นเป็นลูกศิษย์ ของพระธรรมยุทธพอเป็นลูกศิษย์ของพระธรรมยุทธเป็นพระผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็ก็โยกบอกว่าอย่าอยู่อย่าอยู่อย่าอยู่ของพ่อก็รู้อย่าอยู่ทีนี้เขาก็ขึ้นมาขึ้นมาบอกว่าที่นี้ท่านอยู่ไม่ได้นะแต่ท่านอยู่ก็อย่าอยู่หลายรูปออไม่มาดูตอนนี้ดีอยู่ขี่รูป ท่านอยูอย่หลายรูปหลวงพ่อก็บอกว่าใครมันจะมาอยู่ลําบากอย่างนี้เอ้าท่านอย่าสร้างโกดีให้ใหญ่ๆเอาเงินที่ไหนมาสร้างใหญ่ๆปูกกระต๊อแล้วก็พอแล้วแต่ว่าหลวงพ่อต้องเก็บความลับนี้เอาไว้วันนี้เปิดเผยความลับเก็บความลับนี้เอาไว้ว่าไม่บอกใครต้องให้เสร็จก่อนวัดเราสร้างวัดหนึ่ง ต้องสร้างพระพุทธรูปสองต้องสร้างเจดีย์ถ้าไม่สร้างพระพุทธรูปก็ต้องสร้างเจดีย์แล้วในเจดีย์ก็มีพระพุทธรูปฉะนั้นก็เลยสร้างพระพุทธรูปที่ข้างบนสร้างไปจากข้างบนสร้างในบริเวณนี้แล้วก็สร้างลงไปข้างล่างอ้าวมาไล่ดีทีมาไล่ก็มาไล่ดีมีพระพุทธรูปขึ้นมาแล้วมีอะไรขึ้นมาแล้ว ใครบ้างที่จะไปทำลายพระพุทธลูกคนที่นับถือพุทธกันอยู่ทางนั้นของไม่กล้าไม่กล้าทีนี้พออยู่มาอยู่มาเสียงตกนายกคนนั้นเนีเสียงต ก, ก, องงตกพอเสียงตกน้องพ่อก็บอกว่านี่คุณขึ้นไปหาเสียงที่บนวัดมั่งละเวลาวันพระนะมากันสิบคนยี่สิบคนแก่ก็มากันทั้งเทศมนตรีทั้งอะไรก็มากัน มากันที่นี่อตาตมาก็ถามว่าไหนนายกอ่ะพ่อนายกยังเดินอยู่ที่สะพานเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวหลวงพ่อไปรับเองก็เลยคน ก, ก็มานั่งอยู่ที่โกงเมื่อก่อนเราก็ทำกิจกรรมที่ตรงนั้นหลวงพ่อก็ไปรับไปรับเราก็อยู่สองต่อสองแล้วอยู่สองต่อสองบอกว่านี่อตาตมามไม่เชื่อคุณถ้าคุณไม่มีผลงาน คุณเป็นนายกเตสมนตรีนี่คุณต้องมีผลงานเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนกันถ้าอัตมาไม่มีผลงานเลยไม่ต้องเชื่ออัตมาเนี่ยไม่ต้องเชื่อนี่เราก็ใส่เลยเหมือนกันเราได้เปรียบแล้วกลัวอะไรก็ใส่พอที่หลังแกก็ตกตกทีนี้เมียของแกนั่นแหละเลมียของแกตอนนี้ก็กำลังที่จะส่อแสะส่อแสะอยู่ไม่สบายเมียของแกก็ ถ้าคุณไปยุ่งอะไรนะักกับพระบนเขาได้ที่ดินของพ่อคุณมีมั่งเหรที่ตรงนั้นโดนเมียด่ากท็ทีเดียวหยุดเลยขอบใจเมียของแกนี่กิดมีสายองพ่อก็มีสายเอาไอน้นี้ยังไม่พอแค่นั้นยังไม่พอหรอกยังไม่พอยังไม่สาใจพอมาอยู่อยู่องเดียวนั่นแหละเสร็จแล้วเป็นยังไง เมื่อก่อนตำรวจชายแดน ấy, ก็อยู่ในตัวเมืองอขึ้นมาสองคนพอขึ้นมาสองคนหองพ่อก็ถามว่ามาจากไหนกันเนี่ยบอกว่ามาจากอกองอบานพักตำรวจชายแดนมาทุระอะไรเขาบอกว่าะจะมาขออนุญาตท่านยิงเป้าเพราะว่าลูกกัดสุนเรือ เออนี่บ้านเมืองที่มันได้ชิบหายเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ทุนเรือเราเอาไปยิงทิ้งหมดทีนี้ก็บอกว่าฉันอนุญาตไม่ได้เพราะว่าที่นี้ฉันจะทําสํานักปฏิบัติธรรมนี่เห็นไหมต้องสู้กันมาฉันจะทําสํานักปฏิบัติธรรมทาไม่ได้ทําไม่ได้ที่นี้ที่กอไผ่นี่นี่กอไผ่นี่นยนนะกอไผ่นี้เมื่อก่อนนี่ก็จะมีคัน จะมีคันถูงแค่เอวนะหลวงพ่อก็บอกว่าโยอมที่เขามาอยู่บอกขุดขุดขุดขุดขุดไดห้หมดปลูกไม้ไผ่ปลูกไม้ไผ่ทำลายหลักฐานเนหมดไม่เอาเทีนี้ยังไม่พอแค่นั้นก็เตือเขาเส้นใหญ่หลวงพ่อไม่มีเส้นเขามันเส้นก้อยจับพวกนั้นทีนี้เป็นยังไงไปหาผู้ว่ามาเลยไปหาผู้ว่าผู้ว่า ผู้ว่าก็เขาพาคุณนายสัตวแพทย์มาองค์พ่อก็รู้จักคุณนายสัตตวแพทย์ขึ้นมาขึ้นมาถึงองค์พ่อถามมาคุณนายมีธุระอะไรเพราะว่านําท่านผู้ว่ามาท่านผู้ว่าจะมาธุระทีนี้อาจจะมาทันนัดเลยกับผู้ว่าเพราะว่าที่อยู่สวนโมกข์ รับผู้ว่ารับนายอำเภอรับรัฐมนตรีรับใครตอบใครเป็นเรื่องว่าเล่นไหมเป็นเรื่องว่าเล่นกับพวกนี้ทีนี้ก็เลยถามถามว่าท่านผู้ว่ามีทุระอะไรบอจะมาขออนุ ญ, ญาตท่านทําสถานที่ยิงเป้าวเพราะว่านี่ท่านผู้ว่าทีนี้อัตมาขอบิณฑบาตจะสร้างสํานักวิปัสสนา เพื่อที่จะปฏิบัติทำเองแล้วให้ญาติโยมก็มาปฏิบัติที่นี้แต่ถ้าหากว่าท่านพูว่าหาไม่ได้อัตมาจะหายเองที่หญิงเป้าวอัตมาจะหายเองไปเลยพูว่าโดนไม้นั้นเลยอยู่ไม่ได้ไปเลยนี่มันเรื่องต่างๆนานาเนี่เยอะแยะหมดเยอะแยะหมดไม่กลัว อะไรก็ไม่กลัวไม่กลัวพูดคำเดียวคือไม่กลัวเราจะต้องทาได้มันยากลำบากเท่าไรเราจะต้องทำได้น เ, เดนี่อยอุปสรรคต่างๆเรื่องคนเรื่องการมาอยู่ในกลางเมืองมาตั้งวัดนี่ศาลากลางอยู่ตรงนั้นที่ว่าการอาเภออยู่ตรงนั้นแล้วก็อะไรมันก็อยู่ตรงนั้นทางนั้นหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้ลองคิดดูดิลองคิดดูดิ ถ้าไม่มาทําได้เนี่ยองพ่อมาอยู่ตรงนี้ต้องอาศั ย, ศยใจิตใจที่เข้มแข็งนล้วต้องมีคุณธรรมด้วยต้องมีเหตุต้องมีผลทางนั้นเลยนี่มันหลายเรื่องหลายราวอุปสรรคมากมายกว่าจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของความยากลําบากไม่ต้องให้เกิดความเสียใจอะไรมันเสียเข้าไปมันเสียไป แต่ว่าอยาดใจมันเสียไม่เป็นไรถ้าใจไม่เสียล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ไม่เป็นไรถ้าเราเกิดทํามาหากินอะไรมันขาดทุนขึ้นมาลุกขึ้นใหม่ว่ากันใหม่นี่ไม่ต้องกลัวสวนยางล้มให้มันลม้ ม, ลมที่สวนยางจยจิตมันลม้มอะไรมันเสียก็ให้มันเสียไปแต่ว่าใจอย่าเสีย ถ้าใจไม่เสียแล้วไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเรื่องนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อว่านี่เราอยู่เมื่อก่อนมีพระเยอะตอนที่ก่อสร้างตอนที่ก่อสร้างมีพระสิบรูปสิบห้ารูปตอนที่ก่อสร้างมันสนุกเนี่ยมันทาสนุกพอเข้าปฏิบัติเท่านั้นพระกโหดลงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด อดจนเดือองเดียวแล้วตอนนี้นั่นเห็นไหมองเดียวหลวงพ่อก็ไม่กลัวไม่เป็นไรให้หลวงพ่อมีโอกาสในการที่บัญญายธรรมญาติโยมมาที่ตรงนี้โยมได้มาปฏิบัติธรรมและมีโอกาสที่จะไปต่างจังหวัดที่ไหนที่ไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นไม่กลัวเรื่องนี้ไม่กลัวไม่กลัวเลย เพราะว่าชีวิตของหลวงพ่อหลวงพ่อก็รู้แล้วว่าแค่แปดสิบหรือว่ามากกว่าแปดสิบก็คงไม่เท่าไหร่แต่ชีวิตที่เหลือนั้นหลวงพ่อมอบให้ญาติโยมทุกคนหลยชีวิตที่นั่งอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ของหลวงพ่อแล้วเนี่ยเป็นของญาติโยมแล้วฉะนั้นหลวงพ่อต้องทำประโยชน์ทําประโยชน์อย่างเดียว ถ้าเดือนไหนไม่มีเทศไม่มีบญญรรยายนทำหลวงพ่อยังคิดว่ามันน่าจะเดินเดินเดินไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้ไปเจอคนโ น, น้คนคงจะเจอคนแล้คนที่สนใจธรรมะเนี่ยคงจะเจอคนคืออย่าให้มันอยู่ว่างๆช่วยช่วยกนต้องช่วยช่วยช่วยดังนั้นบางวันหลวงพ่อก็ใช้โทรศัพท์เปลืองนะหลวงพ่อจะพูดทางโทรศัพท์ พูดเป็นนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีนี่พูดธรรมะทางโทรศัพท์นี่คนที่รู้จักกันหรือว่าคนที่นั้นกันนั่นแหละในเรื่องของธรรมะนี่แหละบางทีก็ทางโน้นโทรมาวันนี้ก็มีลูกศิษย์ที่กรุงเทพก็โทรม า, าโทรมาก็คุยกันอะไรกันนี่คือต้องต้องทำเรื่องนี้อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ทีนี้หลวงพ่อก็คิดว่าเอ๊ะทาไว้ พระพุทธเจ้าท่านไม่หยุดเลยท่านไม่หยุดเลยพระพุทธเจ้าต้องเดินไปโปรดคนนั้นต้องเดินไปโปรดคนนี้ที่ตรงนี้ต้องไปโปรดก็อยู่เรื่อยๆไม่ได้หยุดอ้าวก็เพราะว่าพลังมันเหลือพลังแห่งที่เราภาวนาเกิดสติปัญญาขึ้นมานี่พลังเหลือทีนี้ไอ้พลังนั้นแหละที่เหลือแล้วก็จะต้องให้คนอื่นเขาต้องให้คนอื่นเขา นี่เราเห็นว่าในพระใจพิดกนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์พูดไม่ซ้ํานะพระพุทธเจ้าจะพูดซ้ํากันเหมือนกันแต่ว่าพูดตรงนั้นตรงนี้ตรงน้อนมันคนละที่คนละที่แต่ว่าสาวกจะต้องเก็บออกมาหมดมาให้บันทึกลงเป็นพระใจพิดกอันนี้ก็เราไม่ต้องเอาทั้งหมดนีกว่าไม่ต้องเอาทั้งหมดเนี่อาจจะว่าพันหลังเหลือทัอนี้พันหลังที่เหลืออันนี้ก็เคยพูดที่สวรโมก กรุงเทพคือพระอรหันต์หรือว่าพระพุทธเจ้าท่านมีพลังเหลือเมื่อท่านมีพลังเหลือท่านดับแล้วร่างกายของท่านดับแล้วแต่พลังนั้นแหละพลังนั้นที่เหลืออยู่คือพลังแห่งสติปัญญาพลังแห่งธรรมะยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ก็ได้ช่วยพวกเรานี่แหละช่วยพวกเราให้มีพลังขึ้นมา ถ้าเราก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็ขอพลังไหวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอพลังขอพลังต่อพระอารหันต์ทั้งหลายก็ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมนั่นแหละให้พลังนั้นแหละมาเข้าวที่จิตใจของเราให้เรามีพลังที่เข้มแข็งขึ้นอะไรขึ้นนี่มีพลังทีนี้ก็เรียกว่าโมเมนตัมภาษาอังกฤษเรียกว่าโมเมนตัม โมเมนตัม um, คือพลังที่เหลือที่เหลือเหมือนกับว่ารถมันวิ่งอย่างนี้พอวิ่งเสร็จแล้วเราไม่เบรกเราไม่เบรกมันก็ยังวิ่งได้อยู่นั่นแหละยังวิ่งได้คือพลังเหลือดังนั้นนี่คือพลังตัวนี้พระพุทธเจ้าเลยไม่ได้หยุดเลยหลวงพ่อก็เลยคิดดูคิดดูดดอ้อนี่พระพุทธเจ้าอย่างนี้เองให้หลวงพ่อเวลาพูดธรรมะไม่เหนื่อยเลย ไม่เคยเหนื่อยพูดธรรมะเรียกว่าสบายแล้วก็สนุกด้วยรู้จึกสนุกด้วยโยมก็ฟังฟังเสร็จแล้วก็ได้เอาไปปฏิบัติเหมือนกับว่าเราให้จิตวิญญาณเขาแล้วก็ไปจัดการกันเองหลวงพ่อตายไปก็ไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาก็ได้ฝากได้ฝังอะไรไว้แล้วเราก็ไปปฏิบัติต่อไปต่อไปต่อไป มันก็ไม่สูญหายไปไหนที่ตามมาตัวนี้มันก็ไม่หายไปไหนมันก็ยังอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละ ย, ยังอยู่ในพวกเรานี่แหละไอ้พวกเราพอเราปฏิบัติแล้วเรารู้แล้วเจ้ไปแล้วก็ฝากให้คนอื่นอีกให้ลูกให้หลานให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่มันก็ไม่ได้หายไปไหนพลังนั้นไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่ต่อๆต่อๆต่อๆๆกันไปนี่ ies, มันเป็นอย่างนี้ นี่พูดมาถึงอุปาทานนะเหมือนตะกี้นี้อุปาทานอุปาทานกามุปาทานติฏฐุปาทานสีลระปตุปาทานอัตวาตุ ป, ปาทานอุปาทานเป็นตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาตัณหาก็คือความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคืออยากตายไม่ต้องไปอยากมันมันตายเองมันแหละ ให้มันตายเองมันดีกว่าไม่ต้องไปอยากมันไม่ต้องไปฆ่ามันไม่ต้องไปทำร้ายมันกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวตัญหานั่นคือเหต hey ุได้เกิดทุกข์ก็คือเหตุได้เกิดอุปาทานเหตุได้เกิดทุกข์นี่ความดับทุกข์ความดับทุกข์ก็คือต้องดับที่ตัวตัญหาดับที่ตัวตัญหาพอจะดับที่ตัวตัญหาควยติดอยู่นู่น ที่ตัวตัญหานั้นไปหาน้ำมาที่น้ำก็คือต้องปฏิบัติตามอริยมรคเมยวงแปดไปหาน้ำที่ไหนบ่อยังไม่ได้ขุดเลยเพราะต้องขุดบ่อก่อนจึงจะได้น้ำทีนี้พอได้น้ำมาขุดบ่อแล้วต้องออกเรียวแรงหน่อยเรียวแรงคือปฏิบัติตามอริยมรคเมยวงแปดและเราก็ได้น้ำมา ได้น้ามาแล้วก็มาดับตัวตัณหาตัวเหตุได้เกิดทุกข์เนีอมาดับที่ตัวตัณหาตัวอุปาทานมันก็ดับเพราะเหตุมันดับแล้ตัวโนว้นมันก็ต้องดับนี่ได้สี่อีกแล้วอุปาทานเหตุเกิดของอุปาทานความดับของอุปาทานแล้วก็วิธีที่ปฏิบัติตามอริยมรเ ม, มองแปดแล้วก็อามาดับดับที่เหตุได้เกิดทุกข์ คือตัวตัณหานั้นอุปาทานมันก็เลยดับเพราะอุปาทานดับไปตัวตัณหากลายเป็นตัวทุกข์อีกทุกข์ไหมลองไปคิดดูดิพอมันเกิดความอยากขึ้นมานะ่ะทุกข์ไหมโยมไปคิดดูไปคิดดูแหมรถมันมีอยู่แล้วไม่ใช่มันไม่มีแต่ว่ามันสามปีแล้วสามปีมันรอมันก็ยังมุนอยู่ไม่ใช่เหรอนี่โอโน้น ไปเห็นที่มันออกมาหม่หนมาออกทุกวันรอนน่ะออกทุกวันมันเปลี่ยนแปลงกระจกมั่งเปลี่ยนแปลงอันนี้มั่งอันนั้นมั่งมันก็คือกันนั่นแหละแต่เสร็จแล้วอยากโอ้ยไม่ดีแล้วไอ้คันนี้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วคันนี้นี่เทิร์นเอเอาไปเทิร์นเอเอาไปเทิร์นกอเอาเงินเดือนเงินดาวนั่นแหละเป่ามันไปอีกนี่ใครนั่นน่ะ ก็คือตัวตัณหานี่ยแหละตัวตัณหาตัวยากคือตัวยากตัวอยากนี่ก็คนที่มีเมียหลายคนเนก็เหมือนกันแหละคนไหนคนไหนมันก็เหมือนกันทางนั้นแหละแต่ว่ามันอยากมันอยากนี่เห็นไหมมันอยากแต่ว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันอยากนี่ตัวตัณหานั่นแหละคือตัวทุกข์ตั้งเป็นตัวทุกข์นี่จะได้เข้าใจง่ายๆ ตัวตัณหาคือตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกก็คือเวทนาสุขเวนทเวน า, าทุกขเวทนาอทุกรรมสุขเวทนานตัวเวทนาเนี่ยเหตุให้เกิดตัณหาเพราะฉะนั้นการที่จะดับตัณหาต้องไปดับที่เหตุมันคือดับที่ตัวเวทนาดับที่ตัวเวทนาต้องปฏิบัติตามเรียมรักษ์มีองแปด พอปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดได้ปัญญาคือจับขงอุตตปาทิญาณุตตปาทิปัญญาตปาทิวิชเจ้ตปาทิอาโลโกตปาทิได้ปัญญามาแล้วพอได้ปัญญามาถึงเหง็นว่าอ๋อไอตัวเวทนานี่สุขเวทนามันก็คือทุกข์ไอทุกขเวทนาก็คือตัวทุกข์ไอทุกขมาทุกขเวทนาก็คือไอตัวงโง่นี่คือ ไ, ตงงไอตัวงโง่เห็นไหม ทั้งทุกข์ทั้งสุขกเวทนาทุกขเวทนาอามทุกขมาสุขกมทุกขเวทนาน่ะเหมือนกันเหมือนที่หลวงพ่อพูดเมื่อคืนที่ผ่านมาเน่เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดดับเหมือนกันสุขเวทนาก็เกิดดับทุกขเวทนาก็เกิดดับทุกขมาสุขเวทนาก็เกิดดับมันก็เลยเหมือนกันทีนี้การดับต้องดับที่เหตุ ดับตัณหาก็ต้องดับที่เหตุเหตุของตัณหาก็คือเวทนาฉะนั้นต้องดับที่ตัวเวทนาการดับที่ตัวเวทนาก็ต้องไปปฏิบัติตามอริยมรรคมนองค์แปดแล้วก็เอามาดับที่ตัวเวทนาพอตัวเวทนาดับตัณหามันก็ดับนี่ตัณหาเหตุเกิดของตัณหาความดับของตัณหาอนทางให้ถึงความดับตัณหา นี่ตัวเดียวนะตัวเดียวนะถ้าเราว่าตัวเดียวหนึ่งตัณหาสองเหตุเกิดตัณหาสมความดับตัณหาสหนทางให้ถึงความดับตัณหาทีนี้ถ้าเราให้มันแจ่มแจ้งก้าไปอีกหนึ่งตัณหาเป็นตัวทุกข์เหตุได้เกิดทุกขก็คือตัวเวทนานี่ก็ตัวเหตุความดับทุกก็ต้องดับที่ตัวเหตุมันคือดับที่ตัวเวทนาโหนตางให้ถึงความดับทุกก็ต้องปฏิบัติ ตามอริยมรรคมีองค์แปดได้ก็ได้ปัญญามาตามที่ต้องการไอ้ตัณหามันก็ดับไปสังเกตดูดิตัวนี้แหละชัดเจนชัดเจนที่สดเพราะตัณหานะมีทุกคนเลยไม่มีเรื่องลูกก็เรื่องเมียไม่เรื่องเมียก็เรื่องบ้านไม่เรื่องบ้านก็เรื่องรถไม่เรื่องรถก็เรื่องสักผ้าไม่เรื่องสักผ้าก็ตู้เย็นทั้งนั้นแหะ เรื่องเสียงอะไรต่างๆตั้งนั้นเลยตั้งนั้นเลยแม้แต่กล้องถ่ายรูปนี่เว้นกันแหละเดี๋ยวมันออกมาออกมาออกมาออกไปออกมาหลวงพ่อเลิกเลยไม่เล่นมันเลยพอไม่เอาแล้วไ ม, ไม่ไม่ตามใจมันแล้วทีนี้เลยเลิกดีมาขนาดไหนเราไม่เอาที่อย่า ง, งพอไม่เป็นไรเดียวนี้ไม่ต้องถือกล้องถ่ายรูปแล้วโยมก็ถ่ายเองแหละไม่เป็นไร ไมต้องกลัวไปเมืองจีนนี่ใหม่คนจีนจะเข้ามากอดหลวงพ่อเลยอเวลาถ่ายรูปมตายกันเป็นแถวเขาก็ไม่รู้ว่าพระเป็นยังไงเห็นคนถ่ายกันมากมากเขาก็ถ่ายมั่งคนณจีนคนนั้นก็เลยจะเข้ามากอดเข้ามาใกล้เลย <c oughs> น, นี่คือตัณหาต่างๆมันมีทางนั้นเราอยากอะไรถ้าอยากด้วยสติปัญญานี่ไม่เชื่อว่าอยากด้วยตัณหาแต่ถ้าอยากด้วยความอยาก เปรี้ยวเปรี้ยวเลยก่อ น, นั้นเลยคือตันหาแล้วมันอยากแล้วนี่มันอยากดังนั้นอยากแต่อยากแล้วมันเป็นทุกมันเป็นทุกไม่ไม่ต้องอย่างอื่นเนาะข้าไปในร้านเชื้อผ้านี่ก็จายเชื้อผ้านลืมหมดไอเชื้อผ้าที่อยู่ที่บ้านะ่ะลืมลืมหมดเลยนับไม่ถูกแล้วไอที่ลืมเพราะนับไม่ถูกแหวไปเห็นไอนี่มันดอกสวย น่าจะเอาไปใส่เวลาถงกรานเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่เรียกว่าตัณหาทางนั้นแหละมันไม่จบตัณหานี่มันไม่จบมันไม่อิ่มตัณหาโยมรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงมันไม่มีหูรูดตัณหานั้นไม่มีหูรูดพวกข้าวไยก็ออกปรลงไปก้าวไปก็ออกปรล ง, ไ ป, ไ, ปออปรงไปนั่นไม่มีหูรูดแต่ถ้าหากว่ามีหูรูดนะคือสติปัญญา มันรู้ที่รู้ทางรู้ที่รู้ทางว่าจะไปถ่ายที่ไหนไปฉี่ที่ไหนมันรู้ทางเพราะมันมีหูรูดแต่ตัณหามันไม่มีหูรูดไม่มีหูรูดนี่จำง่ายง่ายมันลำไส้มันตรงตัณหาเนี่ยลาไส้มันตรงทีนี้ตัณหาเป็นตัวทุกข์เหตุเกิดของตัณหาก็คือเวทนาความดับตัณหาก็ต้องดับเวทนา ผลทางไ้ถึงการดับตัณหาก็ต้องปฏิบัติตามเรียรมกักไม่องแปดอีนี้เราก็ตั้งโจทย์อกีกตั้งโจทย์อกีกตัวเวทนานี่เป็นตัวทุกขเวทนาทุกขเวทนาทนาุกขมาทุกขเวทนานี่เป็นตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกขก็คือตัวผัดสาตัวผัดสาตัวผัดสาตัวอะไรคือตัวกระทบ ตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกับกลิ่นลิ้นกระทบกับรสนี่นี่ผัสสะทางนั้นเพรานั้นเรียกว่าผัสสะทางนั้นจนว่าใจกับธรรมารมณ์ก็เรียกว่าผัสสะผัสสะทางนั้นทีนี้หนึ่งเวทนาสองเหตุเกิดของเวทนาคือผัสสะสามการดับเวทนาต้องดับที่ผัสสะ สี่วิธีปฏิบัติเพื่อที่จะให้เวทนาดับก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคเปองแปดพอปฏิบัติตามอริยมรรคเปองแปดมันก็เกิดตัวนั้นขึ้นมาอีกจากกุงตะปาทิยานองตะปาทิพอเกิดตัวนั้นขึ้นมาก็ เ, าเอามาดับที่ตัวผัสสาดับที่ตัวผัสสาเพราะฉะนั้นที่ผัสสาตัวนี้แหละพอตาเห็น ก็สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปเกลียดมันโอ้ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไอ้สักแต่ว่านั่นแหละคือตัวปัญญาคือตัวปัญญาเห็นดอกไม้สวยก็สักแต่ว่าสวยแต่ว่าพอมันพ้นเวลานี้ไปแล้วมันก็ไม่สวยแล้วนั่นเราใช้ปัญญาแล้วเห็นคนหลอ่อไอ้ฟิลมนะ์มเนี่ยมันหลอ่อเอ๊ะมันหล่ออยู่ได้กี่ปี ดูพี่จายมันที่ดูพ่อมันที่หล่อไหมตอนนี้มันก็ดูไม่ได้นี่เราต้องช่ายเรลือวาต้องดึงมาดึงมาให้หมดพอดึงมาให้หมดมันจะอยู่ได้จะ ก, กี่ปีพวกนี้เจ็ดปีนะอย่างมากแล้วแล้วก็มีตัวอื่นขึ้นมาแทนอีก <c oughs> มันจะขึ้นมาแทนอีกดาราคนอื่นมันแทนขึ้นมาอีกทีนี้เราดูมันสวย ดูว่ามันหล่อดูในปัจจุบันนี่นี่เล็งลงไปเลยสวยที่ตรงไหนผู้หญิงนะ่ะสวยที่ตรงไหนผู้ชายดารานี่หล่อที่ตรงไหนอหล่อที่จะมูกหล่ใช้มีดแล้วทีนี่ใช้มีดปัญญาเนี่ยเอาปัญญาถึงก็เฉือนที่จะหมูกมันออกมาออกมาวางไว้บนกระดาษขา ว, ขาว เฉือนจะมูกออกมาเอา้าคิ้วมันสวยลอกคิ้วออกมาวางไว้ลูกตาของผู้หญิงคนนั้นสวยตามที่จริงมันใส่ตาปลอมทางนั้นควักลู ก, กตาออกมาออกมาวางไว้โอ้ยเปลือกปากมันสวยเอามีดไปนั่นมาเลยเฉือนมาเลยเปลือกปากสวยที่ตรงไหน ใช้ปัญญาในปัจจุบันใช้ปัญญาในปัจจุบันนี่แหละให้เราหาจุดให้พบหาจุดให้พบว่าสวยที่ตรงไหนหล่อที่ตรงไหนหาจุดให้พบหาจุดพบแล้วเฉือนออกมาเลยเฉือนออกมาด้วยด้วยจิตที่ประกอบด้วยปัญญานั่นแหละนั่นเน่ยคือจักกุลงุตปาฏิยาณางุตปาฏิที่เหยียดออกไปอีกใช้ในปัจจุบันเลยอย่างนั้นแน่นอน แน่นอนที่สุดเลยแต่ข้อสำคัญก็คือต้องเอาสัมมาสตินั่นแหละสัมมาสติบอกแล้วในอริยมรรคมีองค์ดก็คือมีสติถ้าขาดสติขาดหมดแกงไม่ถึงเกลือไม่มีน้ำปลาก็เลยเกิดชืดเพราะฉะนั้นต้องมีสติต้องมีสติต ส, ต, สติก็เลยดึงปัญญามา พอะจะเกิดผัสสาขึ้นมานี่พอเกิดผัสสาขึ้นมามีสติมีสติแล้วก็มีปัญญาปัญญานั้นก็มาผ่าตัดเลยทีนี้ผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วจบไม่ติดอกติดใจแล้วหมดความติดอกติดใจนี่ที่ตั้งขึ้นมาว่าตั้งโจทย์มาว่าเวทนาเป็นตัวทุกเหตุให้เกิดทุกข์คือผัดสา ผัดษาทางตาผัดษาทางหูผัดษาทางจามกูกผัดษาทางลิ้นผัดษาทางกายผัดษาทางใจสักแต่ว่าคำว่าสักแต่ว่านี่คือตัวปัญญาที่ฉันสเร็จรูปมาจากการปฏิบัติตามวรียมรรคมีองแปดแล้วก็เลยสักแต่ว่าเห็นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นจบจบ เ อ, อถ้ามันตายเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าสมมติมันเป็นไปโดนเอาซิร์นามิในประเทศญี่ปุ่นแล้วมันไม่กองเดี๋ยวพวกนี้ออมันก็หมดสวยหมดงามหมดหลอ่อทั้งนั้นเลยนี่ต้องเห็นมันอย่างนั้นของพ่อนะอยากเห็นคนที่ตายมากๆเป็นกองอย่างนั้นอยากเห็นอันี้ขาขาดอันนี่แขนขาดอันนี่คอขาดอันนี้ไส้ทะลักออกมาโอ้ชอบ ชอบชอบเลยอย่างนั้นเนี่ยเราได้ปรุงยังไงเราจะได้ปรงุงพอไปเห็นคนสวยก็อย่างนี้เอาภาพนั้นมาทาบ ป, ปั๊บก็ไปโอ้ได้ที่เลยทีนี้ได้ที่เห็นคนหลอก็เอาภาพนั้นเนี่ยมาทาบพอมาทาบเลยจบไม่ต้องใช้เวลานานแพลบเดียวชั่วเสี้ยววินาทีเดียวจบหนังนั้นม้วนไม่ยาวนะสั้นม้วนสั้นนิดเดียวคือต้องใช้ปัญญา เพราะฉะนั้นปัด ส, สาเออการกระทบพอกระทบก็สักแต่ว่าสวยก็สักแต่ว่าไม่สวยไม่งามก็สักแต่ว่ามันสักแต่ว่าพอสักแต่ว่ามันก็จะดับทันทีนั่นคือเราปฏิบัติปฏิบัติตามอริยมรรคมนองแปดพอปฏิบัติตามอริยมรรคมนองแปดแล้วก็ทําให้ผัด ส, สาดับพอปัด ส, สาดับเวทนาก็อยู่ไม่ได้จุกเวทนา ที่เราเข้าไปพอใจมันก็เลยเลิกความพอใจเพราะพอท่าแล้วมันหมดสิทธิ์แล้วมันหมดท่าแล้วทีนี้จุกเวทนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ทุกเวทนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้อาทุกขมาจุกเวทนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่มีนันทินันทิแปลว่าความพอใจความพอใจนันทิไม่เกิดพรานันทิไม่เกิดว่านันทิไม่เกิดมันก็จบ นี่เรียกว่ามันจบเพราะว่าปัจจาดับเวทนาจึงดับทีนี้เรามาตั้งเอกเรามาตั้งโจดอีกตั้งโจด ท, ที่ปัจจารัจจาเป็นตัวทุกขปัจจาเป็นตัวทุกขปัจจาทั้งหกนั่นแหละปัจจารทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจปัจจาเป็นตัวทุกขเหตุให้เกิดทุกก็คือสรายตนะ สรารยตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทางนั่นคือประตูหน้าต่างหกบานหกบานอกบานคือประตูหน้าต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่อีนนี้พอทำหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่ตามีหน้าที่ดูหูมีหน้าที่ฟัง มันตามตามหน้าที่ตามธรรมชาติของมันทีนี้ปัจจัเป็นตัวทุกข์เหตุเกิดทุกข์ก็คือสรายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นการดับปัจจัต้องดับที่ตัวสรายตนะคือต้องดับตาหูจมูกลิ้นกายใจวิธีดับตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องปฏิบัติตามอริยมรรคไม่โอง่งแป พอปฏิบัติตามอริยมรตมีองแปดสรายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจดับเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจดับพัดสามันก็ดับแต่หลวงพ่อใช้วิธีอย่างนี้ใช้วิธีว่าตาไม่ใจกูหูไม่ใจกูจมูกไม่ใจกูลิ้นไม่ใจกูกายไม่ใจกูใจไม่ใจกูนี่เลียนลัดเลยเล่นเลียนรัดกันอย่างนั้นเลยแต่ถ้าตากูหูกูแล้วก็ อวิชญามันเกิดแล้วที่ตาที่หูนั่นแหละองค์ก็เลยท่อง listener, ท่องท่องท่องท่องท่องท่องเดินท่องอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อก่อนท่องอยู่ในใจตาไม่ใ่กูหูไม่ใ่กูจมูกลิ้นกายใจไม่ใจกูนี่มันก็ดับถ้าตาไม่ใจกูหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใจกูปัตสามันก็ดับนี่ปัตสามันก็ดับทีนี้เมื่อปัตสาดับก็เพราะว่าสราญตนาดับนี่สราญตนะ เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาอีกทีนี้เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาอีกสรายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ตัวนามารูปนามารูปนามารูปก็คือกายกับใจนั่นแหละตัวนามารูปอีนี้การดับทุกข์ต้องดับนามารูปถ้าไม่ดับนามารูปสราญตนะก็จะไม่ดับเพราะสรายตนะนี้ กายกับใจเนี่ยพวกนี้มันเป็นประตูหน้าต่างมันติดมันติดอยู่กับกายนะ่ยมันติดอยู่กับกายตาก็ติดอยู่กับกายหูก็ติดอยู่กับกายจมูกลิ้นเนะี่ยมันก็ติดอยู่กับกายทางนั้นแหละทีนี้ในเมื่อสรายตนะเป็นตัวทุกขเหตุได้เกิดทุกคือตัวนามรูปการดับทุกขก็ต้องดับที่ตัวนามรูป ไม่ใช่มาดับที่ตัวสารายตนะดับที่นามรูปการดับที่นามรูปก็ต้องปฏิบัติเหมือนเดิมคือปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์แปดแล้วก็ได้สำเร็จรูปมาด้วยปัญญาทีนี้จากกุงตาปาทิยานางุตาปาทินั่นแหละก็ได้ปัญญามาแล้วก็เอามาดับที่นามรูป คือกายกับใจใ ห, หลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นอีกกายไม่ใ่กูใจไม่ใ่กูกายไม่ใก่กูใจไม่ใก่ ก, ใ ก, ใใกูเรียนรัดเราต้องเล่นเดียนรัดมั่งกายไม่ใก่กูใจไม่ใ่กูเมื่อก่อนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเดินเวียนอย่างเนี้รอบรอบขอระครังจากหินโก้งไปโน่นหน้าหลวงจันทร์ก็มานี่บางทีก็เดินจงกรมเวียนสามรอบเลย กายไม่ใจกูใจไม่ใจกูกายไม่ใจกูใจไม่ใจกูเดินเวียนเวียนอยู่อย่างนั้นทีนี้มันก็แต่ฉารเองต่อไปมันก็รู้เองเฮ้เสร็จแล้วสรายอตนะเคยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ดับมันก็ดับเราทําให้มันซ้ำซ้ำๆๆำดับให้มันซ้ําๆๆๆต่อไปก็ดับเองดับเองมันก็รู้ทันเองเพราะเราชาติสติ สติในอริยมรรคในองค์แปดนั่นแหละเอาทีนี้พอเส็แล้วเราจะดับนามารูปทีนี้เราก็ตั้งอยู่นามารูปเป็นตัวทุกขนามารูปเป็นตัวทุกขเหตุให้เกิดทุกเพราะวิญญาณวิญญาณวิญญาณนี่คือตัวรู้วิญญาณนี่คือตัวรู้แต่เมื่อก่อนมันรู้โง่โงมันรู้ว่าไอ้รู้เนี่ยคือกูรู้ นั่นที่สอนสอนน่ที่ส อ, อ, อนรู้กันนั่นลไอ้ที่รู้เนี่ยกูรู้ว่ากูรู้แล้วก็กายใจก็เป็นของกูสรายตนะตาหูจมูกดิ้นก็ของกูปัตซะก็เก็นของกูเวทนาก็เป็นกูนี่รู้นั่นก็โดยเป็นกูหมดเป็นกูหมดเพราะอะไรเพราะวิญญาณตัวนั้นน่มันถูกควบคุมด้วยอวิชชา เมกกื่อถูควบคูณโดยวิชามันก็โดยเป็นกูรูขึ้นมากูรูขึ้นม า, นมาทีนี้นามารูปเป็นตัวทุกข์เหตุเกิดทุกขก็คือวิญญาณการดับนามารูปต้องดับที่ตัววิญญาณดับวิญญาณต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดเมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แป เราก็ได้ปัญญาสำเร็จรูปมาแล้วคือจักของอุงตปาธิญาณอุปาฏินั้นอุตปาธินั่นแหละแล้วก็ดับวิญญาณพอดับวิญญาณนามรูปก็ดับคือดับเหตุมันต้องดับที่เหตุมันเสมอพระอัจฉชิท่านบอกกับสารีบทว่าทำเหล่ า, าดอยมีเหตุอันแดนเกิด พระตถ า, าคตตรัตเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยมันมีตั้งทุกและมีตั้งเหตุในนั้นมีตั้งตัวทุกขและมีตั้งตัวเหตุให้เกิดทุกมีตั้งตัวทุกและตั้งตัวเหตุให้เกิดทุกมันมีมีได้ตั้งทุกตั้งเหตุให้เกิดทุกมันเป็นอย่างนั้นกันไปตลอดไปแหละอีนี้พอเราดับพออวิยามักมีองแปดเกิด ออกมาปฏิบัติแล้วก็ ด, ววญญดับตัววิญญาณก็ดับตัววิญญาณนามรูปมันก็ดับนามรูปมันก็ดับทีนี้ตั้งตัววิญญาณขึ้นมาอีกตัววิญญาณเป็นตัวทุกขตัววิญญาณเป็นตัวทุกขวิญญาณนี่ไม่ใช่วิญญาณผีนะวิญญาณที่รู้เนะื้อรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่น ตัวรู้นั่นแหละก็เรียกว่าวิญญาณเรียกว่าวิญญาณ้วิญญาณที่เป็นผีที่ตายไปแล้วอย่าไปยุ่งกับมันตัดตัววิญญาณนี้แหละถ้าตัดตัววิญญาณนี้ได้ดับวิญญาณตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นวิญญาณโน้นแล้วนี่ถ้าสมมติว่าผีมาหลอกเราเราก็รู้กับวิญญาณนี้แหละถ้าตาเห็นก็รู้กับวิญญาณตานั่นแหละวิญญาณที่เกิดทางตานั่นแหละ ถ้าได้ยินเสียงก็วิญญาณที่มันเกิดทางหูนั่นเรียกว่าโจตาวิญญาณวิญญาณนี้หมายถึงวิญญาณหหมายถึงวิญญาณหวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจวิญญาณนี่วิญญาณเป็นตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสังขารนี่สังขารความดับทุกข์ ก็ต้องดับที่สังขารเอก็ต้องดับที่เหตุมันไม่ใช่มาดับที่ตัววิญญาณต้องดับที่ตัวสังขารดับที่ตัวสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารดับที่ตัวสังขารก็ต้องปฏิบัติตามเรญยมัจไมองแปดให้มีพลังพอมีพลังพอได้ปัญญามาก็ดับสังขาร แต่วิญญาณมันก็อยู่ไม่ได้วิญญาณมันก็ดับนั่นคือดับที่ตัวเหตุตัวเหตุตัวเหตุมันทางนั้นทำมาแล้วโดยมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตะถาคตตรัสเทรแต่งทำนั้นและความดับแห่งทำนั้นพระองค์มีปกติตรัสอย่างนี้เป็นธรรมดานั่นเป็นเรื่องธรรมดาพระองค์ต้องตรัสอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอันี้ยังเหลืออีกสองตัวสังขาร กายสังขารการกระทาทางกายสังขานแปลว่ากระทากายสังขารการกระทาทางกายวจีสังขารก็คือการพูดมโนสังขารก็คือคตัวคิดตัวคิดตัวคิดเรียกว่าใจใจคิดสังขารเป็นตัวตัวทุกสังขารเป็นตัวทุกเหตุได้เกิดทุกมันก็คือตัวอวิชชานั่นแหละ ตัวอวิชจานั่นแหละสังขารเป็นตัวทุกเหตุการเกิดทุกก็คืออวิชฌาการที่จะดับสังขารต้องไปดับที่ตัวอวิชฌาทีนี้ดับมันยังไงตัวอวิชฌานี่ดับมันยังไงต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมนองแปรที 8, นี้เห็นไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปถึงตัวนั้นแล้วไปถึงตัวตัวต้นมาแล้วดับวิอวิชฌา ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคไม่องอแงพอปฏิบัติตามอริยมรรคไม่องอแงก็เกิดจากกุลงุตตปาทิญาณุตตาปาิปัญญาตตาปาทิวิชฉาตตปาทิอาโลโกตาปาทิเกิดนิโรธขึ้นมาพอเกิดนิโรธขึ้นมาเรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นมาพอเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็มาดับที่ตัวอวิชชาพอดับอวิชชา ตัสังขารมันก็ดับสังขารมันก็ดับทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละมันสําคัญตัวต้นนี่มันสําคัญหลวงพ่อต้องคิดคิดคิดคิดคิ ด, คดวิจัยวิจัยวิจัยวิจัยทีนี้อวิชาอาวิชาเป็นตัวทุกข์เขาไม่ได้ว่าว่าอย่างละเอียดเราก็เลยต้องใช้สมองกันนานกันอวิชาเป็นตัวทุกข์ทุกข์ที่ เอาจิตโง่มาเป็นตัวกูนั่นแหละ อ, อวิชชาเป็นตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกขก็คือเพราะมันโง่เพราะอาวิชชาตัวนั้นมันโง่มันโง่ก็เพราะมันไม่รู้อริยรรรสัจสีนั่นแหละโง่เพราะไม่รู้อริยสัจสี่นั่นก็คือเหตุของอวิชชาหนึ่งอวิชชาสองเหตุเกิดของอวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาก็คือสมุทัย สความดับอวิชชาสจะดับอวิชชาต้องดับที่เหตุดับที่เหตุเราต้องปฏิบัติตามอาริยมรรคมิองแปดพอดับพอปฏิบัติตามอาริยมรรคมิองแปดเราได้นีโรดมาแล้วได้นีโรดมาแล้วเห็นแจมแจ้งแล้วพราได้นีโรโไดโรได้ตัวปัญญามาแล้วได้ตัววิชชามาแล้ว เราก็เอามาดับดับที่ตัวสมุทัยคือตัวเหตุที้เกิดทุกข์นั่นแหละตัวสมุทัยพอดับที่ตัวสมุทัยอวิชจานั้นก็ดับเห็นไหมอวิชจาดับตัวนี้แหละที่ยากอาวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาความดับอวิชชาผลทางไงถึงความดับของอวิชชาต้องทําอย่างนั้นใหได้ทีนี้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 ออกมาจากข้างร่างว่าจรามรณาโศกาปริเทวะทุกขโทมณฑะอุปาชาตอุปายาตดับก็เพราะชาติดับชาติดับก็เพราะพบดับพบดับก็เพราะอุปาทานดับอุปาทานดับก็เพราะตัณหาดับตัณหาดับก็เพราะเวทนาดับเวทนาดับก็เพราะปัสจาดับปัจจาดับก็เพราะสรายตนาดับสราญตนาดับก็เพราะนามรูปดับนามรูปดับก็เพราะวิญญาณดับ วิญญาณดับก็เพราะสังขารดับสังขารดับก็พระอวิชชาดับอวิชชาดับก็พราะเหตุให้เกิดอวิชชามันดับเห็นไหมทีนี้พออวิชชาดับก็สังขารดับวิญญาณดับนำรูปเราเวียนขึ้นเวียนลงอย่างนั้นเอาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแค่เราจะเข้าใจเราจะเข้าใจแล้วเราก็จะเห็นเราจะเห็นแจ้งทีนี้เราจะเห็นแจ้งทีนี่ก่อนอื่นเราต้องจำ อริยมรรคใองค์ปดต้องจําแล้วก็ปฏิบัติอริยมรรคในองค์แดทีนี้อริยสัจสี่นั่นก็จําไม่ยากแต่ต้องเข้าใจต้องรู้ทีนี้ปฏิจจสมุปบาทละครแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวต้องจําให้ได้ต้องจําให้ได้ปฏิจจสมุปบาทนี่สามอย่างนี้เลยสมอย่างนี้คือมันจะเคลียร์กันเรียกว่าอริยสัจสี่อริยสัจสก็คือทุก เหตุได้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนต่างไงถึงความดับทุกข์นี่มันสี่อริยสัจสี่นี้เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์รู้อริยสัจสี่พระองค์ก็เลยเนี่ย้าทำนิ้วอย่างนี้ไม่ใช่ดีดน้ำมนตทำนิ้วอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ทุกเรากำหนดรู้ได้แล้วเหตุได้เกิดทุกข์ เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุได้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรละเหตุได้เกิดทุกข์เราละได้แล้วการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป้นั่นแหละอารปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้การปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ก็เดี๋ยวก่อนทุกข์เหตุได้เกิดทุกข์เอาความดับทุกข์ก่อนความหนึ่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ ทุกเ yep? <femme> like this, uh, ป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู e <cole> ้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วท้องเหตุใกล้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุได้เกิดทุกเป็นสิ่งที่เราควรละเป็นสิ่งที่เราควรละเหตุใดเกิดทุกเราละได้แล้วข้อที่สองตรงละตรงละข้อที่สนิโรดนิโรดเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือความดับทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับทุกขเป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้ง ทำให้แจ้งได้เกิดทุกข์เราทำให้แจ้งได้แล้วสามอีิอนี้ผลทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองแปดสมัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากเป็นอย่างนี้อย่างนี้อริยมรรคมีองแปดเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้เกิดมีอริยมรรคมีองแปดเราทำให้เกิดมีได้แล้ว อย่างละสามอย่างละสามอย่างละสามเรียกว่าปริวัติสามเนี่ยปริวัติสทีนี้ปริวัติสาม น, 3, นี่มันเวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปเรียกว่าอาการสิบสองอาการสิบสออาการสิบสองนี่ไม่ใช่ตเทวติงสาในโน้นนะวัวติงสาเนเกซาโลมานาคาตันตาตะโจอันนั้นมันอาการสาสบสอง แต่ น, นี่เป็นอาการ12บสองสาี่สิบสองเนี่ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่นั่นแหละทีนี้ถ้าพระองค์ยังไม่ชํานาญในเรื่องนี้พระองค์ก็ยังไม่ปฏิญญาว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแต่พอพระองค์ชํานาญเรื่องการเกิดเรื่องการเห็นอริยสัจสเรื่องการเห็นขันธ์ห้าเรื่องการเห็นปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาทหรือว่าไออริยสัจทีที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาททุกตัวทุกตัวทุกตัวทุกตั ว, ตตวมันเท่าไหรก็ไปลองคิดดูดิมันเท่าไหรก็ไปในนั้นอ่ะในนั้นนเท่าไหร่ก็ไปตัวละสีละสีละสีตัวละสีะสะสะสนี่นั่นคือให้เห็นอาริยสัจตีเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธตาท่านจึงบอกว่าอาริยสัจตีคือทุกสมุทัยนิโรธมรร นี่ก็เป็นอริสเป็นอริยสัตว์เล็กแต่ว่าอริยสัตว์ใหญ่นะคือปฏิจจาระมุปปบาทปฏิจจารมุปปบาทแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเพราะแต่ละตัวมันมีสี่สี่สีั้งนั้นเลยนี่ถ้าหากว่าเราเอาตัวเดียวเช่นว่ารามรณะโศกาผลิเทวทุกตัวมานั่เจ้าป่ายาเป็นทุก เป็นตัวทุกข์และกว่าเป็นตัวเหตุได้เกิดทุกข์ตัวดับทุกข์ตัวหนทนางใหไถึงความดับทุกข์เอาไปทีละตัวละตัวอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าทำเหมือนที่หลวงพ่อว่านี่เราก็จะเข้าใจได้ง่ายาจะได้ง่ายกว่าเนีย่ยมันมีหลายหลายแงย่หลายมุมปฏิจจ a t มก ป, ประบาทเราไม่ต้องเอาทุกแง่ทุกมุมเราเอาแค่เราปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็้ความทุกข์มันดับ ก็ใช้ได้แล้วนี่ความทุกข์ดับมาจากอวิชชาเห็นใจยากหน่อยแต่าาว่าเราปัญญายังไม่ถึงเอาดับที่เวทนา อ, อุกอ่อนอให้ตั้งต้นที่ปัจจสา ก, ก็ตั้งต้นที่สราเยตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาไม่ใช่กูหูไม่ใช่กูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่กูตาเห็นก็ไม่ใช่กูเห็นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสพจน์ับผ้เนี่ย คือตามันก็ทําหน้าที่มันทําหน้าที่อย่างนั้นแต่อย่าให้กูไปทําหน้าที่ให้ตามันทําหน้าที่ตามธรรมชาติพอมันเกิดปัจจัขึ้นมาเกิดเวทนาขึ้นมาสติก็ดึงแล้วสติดึงปัญญามาแล้วสติดึงปัญญามาพอดึงปัญญาเห็นว่าเวทนาตัวไหนตัวไหนเราก็เข้าใจไว้แล้วแต่อย่างนี้เรียกว่าจุกเวทนาแต่อย่างนี้เรียกว่าทุกเวทนาอย่างนี้เรียกว่าอัตุกรมจุกเวทนา พอเกิดเวทนาขึ้นมาเราก็เตรียมพร้อมดึงปัญญามาที่เราปฏิบัตินั่นแหละเอามาจากไหนปัญญาก็ต้องเอามาจากอริยมรรคในองค์แปดนั่นแหละพอได้ปัญญานั้นมาก็เอามาดับดับที่เวทนาไม่ทันก็ไปดับที่ตัณหาก็ได้ดับที่ตัณหาเที่ยรู้ตัณหาไวา้แล้วก็ดับที่ตัณหาก็ยังทันอยู่แต่ถด้เลยตัณหาไปแล้วดับไม่ทันแล้วมันดับไม่ทัน มันไปเป็นอุปาทานเป็นพบเป็นชาติเป็นจรามรณะไปโน้นแล้วมันก็ทุกเต็มเปี่ยมแล้วพอไปโ น, น้นนี่เรียกว่าตั้งอริยมรรคในองค์แปดตั้งอริยสัจสี่แล้วก็ปฏิจจารมุปปบาทต้องเข้าใจเรื่องนี้การปฏิบัติต้องเข้าใจเรื่องนี้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ มันก็ยังว่าว่ า, วาแหวงแหวงมันยังไม่ค่อยอะไรอยู่นั้นขอให้ทุกคนช่วยกันขยันหน่อยอย่างน้อยตอนแรกก็ขยันในการสวดก็สวดเสร็จแล้วก็ ค, อ ค, อค่อยๆเข้าใจซึมก็ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอซึมเข้าไปยิ่งปฏิบัติล้วก็ยิ่งซึมลึกทีนี้มันจะซึมลึกเข้าไปเองแล้รู้เองทีนี้รู้เองรู้อย่างที่หลวงพ่อสอนนี่มันเป็นสูตรตามมรยาปัญญา เอาไปคิดก็เป็นจินตามะยะปัญญานี่ถ้าเรารู้ด้วยการปฏิบัติโดยการปฏิบัติก็คือด้วยการภาวนาตาไม่ใช่กูหูไม่ใช่กูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่กูนี่ด้วยการภาวนาพอภาวนาไปมันรู้ขึ้นมาจริงนั่นเรียกว่าภาวนามยะปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมานี่ปัญญาที่ที่เกิดจากภาวนาก็ดีปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติ การปฏิบัติตามอริยมรรคไม่มองอแงโดยสัมม า, มาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนั่นแหละนั่นก็จะไปรวมตัวกันปัญญาไปรวมตัวกันพอไปรวมตัวกันที่ตรงนั้นก็จะเห็นอริยสัจสีพอเห็นอริยสัจสีเ่เดวก็สบายต่อไปสบายมากทีนี้สบายมากนั่นก็ดับนี่เรียกว่าดับดับดับอพอดับแล้วก็ว่างทีนี้ใครที่จะริยนว่าง ก็ว่างจากตัวกูเนี่ยต้องให้เข้าใจดับพอกิเลสมันดับพอจิตมันดับจิตที่ยังเป็นๆเนี่ยไม่จะดับเลยในห้องดับจิตดับที่ตอนที่เรายังเป็นๆยังลืมตายยังหายใจอยู่นี่แหละดับเพราะมันไม่ใช่กูจิตนั้นไม่ใช่กูเพราะจิตไม่ใช่กูดับจิตนั้นก็ว่างก็คือว่างจากกูเนี่ยแต่จิตว่างจากกูและการกระทําก็ดีความคิดก็ดีคาพูดก็ดีก็ว่างจากกู วิญญาณตัวรูปก็ไม่ใช่กูรู้นามรูปกายใจก็ไม่ใช่กูตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่กูปัจจการประตู ก, ก็ไม่ใช่กูเวทนาก็ไม่ใช่กูตานามันจะเกิดยังไงทีนี้มันไม่ใช่กูหมดเนี่ยมันหมดกูมันจะหมดกูขั้นการปฏิบัติกูหนึ่งตัวกูสองเหตุเกิดตัวกูสามความดับตัวกูสี่หนทางให้ถึงความดับตัวกู มันก็อริยสัจสี่เอกนั่นแหละไม่ไม่พ้นไปจากนี้หรอกฉะนั้นเราปฏิบัติให้ให้ให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็ได้แจ่มแจ้งพอแจ่มแจ้งแล้วสามารถที่จะเปลื้องความทุกข์ลอกออกไปลอกออกไปลอกออกไปลอกออกไปถูกออกไปถูออกไปมันก็หมดเองเยหมดเองเยนี่คือการฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจ ถ้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติก็คือไม่มีความทุกข์หมดความทุกข์เพราะฉะนั้นหนึ่งดับสองว่างว่างจากตัวกูนึ่สามสงบก็จิตมันไม่เอาอะไรแล้วมันก็ อ, อยู่กับความสงบสิมันไม่เอาอะไรแล้วมันจะอยู่อะไรมันจะอยู่กับอะไร<ม>ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของกูแล้วจิตก็ไม่ใช่ของกูแล้ว ตาหูก็ไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวกูแล้วอยู่กับความสงบดีกว่าก็คือมันไม่เข้าไปยึดมัน่นถือมั่นอะไรแล้วอันก็สงอบจิตมันก็เลยได้สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาไอ้บ้านที่เราอยู่นั่นบ้านที่เราอยู่คือบ้านของร่างกายแต่นี่เป็นบ้านของจิตเป็นบ้านของปัญญาแล้วบ้านของปัญญาเพราะว่าไอ้นู้นมันเป็นบ้านของกายเอ็นี่ บ้านของกายที่ยังยึดมั่นถือมั่นมันเป็นบ้านของใครบ้านของอวิชชาเลยตัวนั้นนะจิตก็เป็นบ้านของอวิชชาอะไรก็เป็นของอวิชชาหมดมันเป็นของอวิชชาหมดแต่บ้านมอยนี่เป็นบ้านของวิชาเป็นบ้านของปัญญาเพราะฉะนั้นดับว่างให้ก็สงบบ้านที่สงบเพราะมีปัญญามีวิชา พอมีวิชามีปัญญาไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะอะไรเพราะกิเลสมันดับเพรากิเลสมันดับหมดอาวิชามันดับไอตัวต้นมันดับไอตัวป ล, ปลายมันก็ดับหมดไม่มีอะไรเหลือนี่ไอเราทำไปอย่างนั้นจากนั้นไอเราไปอยู่บ้านใหม่กันเถอะสร้างบ้านใหม่มาที่นี้เพื่อที่จะหาลู่ทางในการสร้างบ้านใหม่ อยู่กับความสงบอยู่กับความสงบทั้งกายทั้งจิตนั่นแหละอยู่กับความสงบพอกิเลสมันดับพอกิเลสมันดับได้อยู่กับความสงบพออยู่กับความสงบหายใจเข้าสงบหายใจออกสงบอยู่กับความสงบมันจะตายก็คิดขึ้นมาได้อ๋อสงบสงบสงบสงบสงบอยู่กับความสงบแต่ต้องฝึกให้ชินทีนี้ความสงบมันจะเกิดขึ้นได้ต้องทาให้ว่างก่อน ต้องดับก่อนดับก่อนแล้วก็ที่ที่สองก็คือว่างที่สที่สมก็คือสงบพราะสงบแล้วต่อไปมันก็เย็นเอ้มันไม่ต้องไปนั้นมันเพราะเราจะสงบสงบสงบสงบฝอยที่มันลุกโรลงโรลงเยู่มันไม่สงบโอยโลภะโวสามโมหะเนี่ยมันลุกโรลงโผลงทีนี้เราดับพอเราดับเสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็ว่างจากที่ลุกโผลงโรลง พอว่างจากที่ลุกโปรงโพรงมันก็สงบทีนี้เราเรียกว่าฟลยนั้นมันสงบแล้วมันไม่มีออกซิเจนไม่มีอากาศมาหล่อเลี้ยงมันแล้วทีนี้มันก็ยังอุ่นๆอยู่ยังอุ่นๆอยู่พอเราใช้เวลาต่อไปเราภาวนาอยู่กับความสงบสงบสงบต่อไปมันก็คอยเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นจนถึงที่สุดทีนี้อ ดับว่างสงบเย็นทีนดับว่างสงบเย็นนี่คือสโลแกนที่ตั้งโอไว้ตั้งแต่ข้างต้นโน่นทีนี้ตอนเช้ามืดหลวงพ่อไม่ต้องพูดแล้วหลวงพ่อพูดมากี่ครั้งแล้วเนี่ยห้าครั้งห้าครั้งเล้ห้าครั้งทีนี้ ให้โยมพูดแต่ละคนแต่ละคนนี่เตรียมเอาไว้มาพูดในตอนภาคเช้าแต่ว่าต้องสวดทรมาจักก่อนตอนเช้าหลวงพ่อก็จะออกมาออกมาเช้าออกมาที่ห้าที่ห้านั่นแหละเอาให้ขอไว้ทุกคนในการปฏิบัติที่ก้าวหน้าแล้วก็ให้เจริญยิ่งยิ่ยิ่ ง, ย, ง, ย, ง, ย, งยิ่งขึ้นไป ในชีวิตของตัวเองเราเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งที่เราจะช่วยเหลือเพื่อนได้เราก็ช่วยเหลือเพื่อนได้ช่วยเหลือเพื่อนได้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละไม่ใช่ปฏิบัติจนในถึงที่สุดแล้วค่อยช่วยเพื่อนไม่ใช่อย่างนั้นปฏิบัติไปได้มาเท่าไหร่ก็ช่วยยิ่งช่วยยิ่งได้มันไม่หมดหรอกยิ่งเราช่วยยิ่งได้ ของพอพูดเท่าไหรเท่า ไ, ไรมันไม่หมดทักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทําเพื่อตัวเองและต่อไปก็ทําเพื่อตั้งตัวเองตั้งเพื่อผู้อื่นพอ ง, งานของตัวเองเสร็จแล้วก็มีหน้าที่อย่างเดียวเหว้นที่พระพุทธเจ้าท่านจบกิจของพระองค์แล้วเื่อตอนที่พระชนมายุทธสามอกนั้นอีก45ปีเป็นงานของคนอื่นหมดที่นี้เห็นไหม เพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามพระพุทธเจ้าและเราก็จะไม่เสียทีที่เราเกิดมาเป็นคนยกระดับจิตให้ถึงความเป็นมนุษย์และเราก็จะได้ธรรมะที่เราปฏิบัติก่อให้ความเจริญในธรรมจมเกิดมีแก่ท่านทุกๆคนตื่น ก่อนเดี๋ยวมานั่งเดินจ้าจ้า